ดีพอมันไม่ตื่นดีจิตมันไม่ตื่นเพราะไม่ตื่นแล้วตามันจะหลับนั้นเราทําสตินี่มันโตโตแล้วเราพยายามที่จะฝืนออกจากความม่วงจิตเราเนี่เอาออกจากความม่วงคือความม่วงนี่มันจะครอบงําจิตเรา แต่เวลาเราตื่นมาแล้วเราไม่ให้มันเข้าไปมันเหมือนไก่เอาไปใส่ในสุ่มไก่มันจะถูกครอบงำแล้วเราก็เห็นมันโอ้มันเข้าไปนะเนี่ยดึงออกมาเอามาอยู่กับกายอยู่ความรู้สึกตัวเนี่มันชัดๆถ้ามันห่วงเราก็มองไกลๆนั่ ง, งในอริยบทที่มันสะดวกมองไกลๆลืมตามองไปตักไกลๆ มันไม่ปรุงแต่งอะไรหรอกมองไปกันแต่ใจเราอยู่ที่มือที่การเคลื่อนไหวนี่แต่ยกมือไปเมื่อก่อนเนี่ยเราจะยกมายกมือทำอะไระแต่ก็ไม่ได้มีสติกำหนดรู้ทีนี้เรามากำหนดรู้ไปด้วยยกไปกำหนดรู้ไปยกไปกำหนดรู้ไปคือกายกับใจนี้มันเป็นอันเดียวกันนะเมื่อไหร่มันเป็นอันเดียวกันกขเรียกว่าเป็นสมาธิ จะไปจ้องมันนะยกขึ้นก็รู้สึกจริงๆเราจะไปรู้จิตนั่นแหะที่ยกมือ น, นี่นะแต่ถ้าจิตมันมารับรู้การเคลื่อนไหวนี่ไม่ชัดเจนความม่วงเหงาเศร้าซึมจะเข้ามาในจิตเราดงนั้นจิตเราเนี่ยามารู้เคลื่อนไหวยังไงรู้สึกวางลงกูรู้สึกวางปล่อ ย, อ, ยอะไรถ้าทางนี้เรากำหนดรู้ขึ้นมา ถ้าลมหายใจเนี่ยพอเราไปรู้สึกมันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ตั้งใจทำมันจะลืมง่ายเผลอเข้าไปแต่มันก็หายใจไปได้เรื่อยๆเนี่ยแต่ถ้าทำความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเวลามันง่วงมันจะนจะังหวะมันจะเปลี่ยนไปคือมันจะลืมหลง พอหลงก็กลับมาใหม่พ อ, มหมพอลืมก็กลับมาใหม่จะมารู้สึกใหม่ทําซ้ําๆสักๆอยู่แบบนี้นะจนทั่ว่ามัน ม, มันม่นคงอะ่ะอีกสักวันสองวันมันเหมือนต้นไม้ต้นไม้นี่เราดึงออกมาจากแปลงเพาะแล้วมาใสา่ในหลุมที่เราเตรียมเอาไว้มันจะงอหงอยเนี่ยปลูกใหม่เนี่ย เราต้องเอาไม้ไปเสียบทาบเอาอะไรมามัดไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่มื่อทีจะสดชื่นขึ้นมาจิตเราก็คล้ายๆแบบนั้นแหละเราดึงออกมาถอนออกมาจากบ้านจากเรือนออกมาจากอารมณ์ที่เราติดเรายึดทีนี้ก็เอามารู้สึกตัวถอนมาเอามาสู่ในที่ที่ไม่มีอารมณ์เอามาอยู่กับปัจจุบันธรรมมันจะง้อยเหงา เหมือนปลาที่ถูกจับขึ้นจากน้ำแล้วโยนไปในบกมันจะดิ้นเพลานๆมันไม่เคยดึงออกมาจากความง่วงดึงออกมาจากความคิดมันจะอยากคิดมันจะอยากง่วงนี่เราก็ดึงออกมาดึงออกมาให้มันรู้สึกเอามาเพราะเพราะพระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าถ้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมต่อเนื่อแล้วมันจะเกิดการรู้แจ้งนั่นเองจิตเราจะหลุดออกจาก อาสวะทำทั้งหลายที่มันหมักหมมเป็นตะกอนนอนอยู่ในจิตเนี่ยความโลภความโกรธความมมโหิอจฉาตาร้อนความพอใจไม่พอใจมันเป็นอาการของจิตแบบหนึ่งที่ไม่เกิดปัญญาอันนี้เพราะมันหลงเข้าไปแช่ไปจมอยู่ในความคิดนั้นพอเรารู้สึกตัวบ่อยเขาบ่อยเขาจะมีกําลังมีกําลังมันจะทะลุมิติอันนั้นออกมาภาวะอันนี้มันต้องเป็นเองนะแต่คิดเอานีนไม่ได้ เอาธรรมะมาตีความเอาโยนนู้นโยนนี้เข้าใจว่าอนัตตาอันนี้จังทุกขังเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันอันนั้นนะมันไม่ใช่ภาวะที่เกิดผุดขึ้นธรรมะนี่มันเป็นภาวะที่มันมันเป็น เ, น เ, น<ร>เองโดยธรรมาชาติเหมือ น, น<ซ><ก inside>เราเพาะต้นไม้อย่เงมีต้นไม้เราได้มเมล็ดมันมาแล้วเราไปจมลงในดิดนรดน<ต>้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยทําสักพักหนึ่งเน่มันงอกเองมันถึงเวลามันก็งอกเองอันนี้จิตก็เหมือนกันน่ยมันเป็นธรรมชาติอันนั้น เราก็ม า, มาทำความรู้ตัวนี่ทำให้มันตื่นตัวรู้ใจตื่นใจมันคิดโ อ, อมานรู้ดึงออกมาอยู่กับกายแต่ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะอันนี้รดน้ำมากคือเพ่งจ้องมันมากมันก็จะเบื่อเซ็งงดหินนะแต่ถ้าลดน้ำน้ำอยน้อยกว่าแค่ตายฉะนั้นทำยังไงมันจึงจะพอดีนั่นแหละเขาเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทำให้มันพอดีพอดีอดเป็นกลาง เป็นทางสายกลางคือทำยังไงก็ได้ที่มันเฉยๆรู้เฉยๆแต่ไม่ให้อยู่ในกับจิตว่างๆนะว่างหรือไม่ว่างนี่ก็ช่างมันอันนั้นแต่รู้สึกอันนี้รู้สึกเอามันว่างนะตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ว่างนะก็ให้รู้เฉยๆอย่าเข้าไปในความคิดอย่าเข้าไปในความว่างเวลามันว่างนี่อย่าเข้าไปในความว่างเวลามันคิดก็อย่าเข้าไปในความคิดให้รู้เฉยๆรู้ว่าเออตอนนี้มันว่าง ถ้ามันว่างแล้วเขาไปอยู่ในความว่างเลยเวลามันไม่ว่างเราจะเป็นทุกข์เพราะเราไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นผู้เป็นทุกข์เราเข้าไปเป็นผู้เป็นเดี๋ยวนี้เราจะผู้ผู้รู้เดี๋ยวีฝึกเป็นผู้รู้ก็คือฝึกสติเนี่ยแหละสติคือผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยแต่มันยังไม่ตื่นบางทีนี่ทําให้มันตื่นตื่นจากกิเลสตื่นจากความม่วงขวาเหงาความหลับความไหล ความว่ตกกังวลความร่ำไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับเคลื่นใจทั้งหลายพวกนี้ยจิตมันจะถอนตัวออกมาดังั้นใหม่ๆเนี่ยเราต้องพยายามดึงออกมาดึงมาอยู่กับความรู้สึกกับกายอันนี้เคลื่อนไหวยังไงก็รู้สึกตัวดีๆแต่อย่าหลับตาทำํำลืมตาทํานะเพราะหลับตานี่มันเหมือนกับนะยื่นสะพาในให้กิเลสมันไต่เข้ามานะ่ะมันจะเดินเหยียบยั่งเข้ามา ย่างเข้ามาสามขุมเลยแหละเดินย่างสามขุมเวลาคนเดินหนึ่งเดนเขาเรียกว่าย่างสามขุมจิเรตมันจะย่างเข้ามาในสามขุมเนี่ขุมอะไรบ้างล่ะขุมโทสะเนี่ยขุมโลภขุมโมหะนรกสามขุมมันร้อน เราสังเกตมันดีๆแม้มันตกลงมาในหลุมเนี้พอมันจะตกลงไปมันจะจมนี่มันจะจมที่แรกมันจะหลงก่อนนะความหลงแล้วก็ความโลภความกโกรธหลงก็้าไปในความคิดนี่ความหลงหลงคือหลงเข้าไปอยู่ในความคิดนั่นแหละะคิดถึงโน่นคิดถึงนี่คิดปรุงแต่งคิด í, หิวคิดง่วงคิดอะไรเนะี่ยความง่วงมันมีอยู่นิดเดียวแต่ว่าเราไปเพิ่มเติมความอยากเข้าไปเฉย มันเลยออกไม่ได้เนี่ยฉ้นเราต้องฝืนฝืนมาอยู่กับโยนไม่ใช่เฉยแบบไม่มีกําลังนะะถ้าเคยเฉยแบบไม่มีกําลังเฉยแบบขาดสติเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะสะพงกเนี่ยอ่ต้องรู้แบบให้มันตื่นเลยนี่ทาให้มันจิตตื่นให้มันตื่นให้มันเบิกบานเดี๋ยวนี้มันตื่นตานะแต่ยังไม่ตื่นใจให้มันตื่นทั้งสองอันประคองความรู้สึกตัวจะให้มันดับเนี่ย ระลึกรู้ให้มันต่อเนื่องสตินี่คิดก็รู้ไม่คิดก็รู้ให้มันจำแจ้งขึ้นเรืยยร่อย ๆ, ๆ, ๆคิดก็ทิ้งไ ป, ไ, ปไม่คิดก็รู้มันไม่คิดแล้วก็ ก, กลับมา อ, มอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยนี่ทําบ่อยๆทําเยอะๆทํา ม, มากๆภ า, า, า, าวน า, า, วาภาวนาแปลว่าเฝ้าระลึกรู้ภาวิตาแปลว่าทําเยอะๆทําให้มันเจริญพระหูรีกตาเนี่ยพระหูก็แปลว่าทํามากๆสังวัตติทํำจนกระทั่งมันเป็นเนี่ยดูดิ แต่คนส่วนมามันทำในน้อย น, ะน้อยแล้วก็เลิกน้อยแล้วก็บเบือนน่ อ, บบอพอไปเจอปัญหาก็เลิกนะมันไม่มีความเพียรความพยายามธรรมะชนิดนี้มันจึงไม่เกิดกับคนธรรมะของพทุทธเจ้านี่โยมัคคะปากามตะเพทะบินะโกจำแนกประเภทคือมากผลที่ปานส่วนใด โลกุตตะโรโยจัตตทัตถะที่ปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตะและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตะนั้นธรรมะคือส่วนที่เป็นโลกุตตะโลกุตตะเนะี่ยไม่ใช่ธรรมะอะไรพิ้นพื้นทำบุญทำทานอะไรเล็กๆน้อยๆไปนี้ไมใช่โลกุตตะทำโลกุตตะทำคือทำที่ทำให้พ้นโลกโลกมีอะไรบ้าง โลกการทำก็คือลาบยศสารเสริญสุขเนี่ยโลกก็คือความทุกข์นั่นเองมันจิตมันติดอยู่ในทุกข์เดี๋ยวนี้เราจะออกจากทุกข์เดี๋ยวนี้ออกจากทุกข์ก็ต้องเป็นโลกโลกุตระธรรมคือธรรมที่เหนือโลกโลกก็คืออารมณ์นี่แหละจิตมันจมอยู่ในอารมณ์ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกี่ยวข้องคือพอเราไม่รู้เท่าทันใจแล้วเนี่ยใจมันเป็นเลยมันคิดเลยอดีตอนาคตอันนั้นนี่นะ คิดถึงลูกถึงล้านถึงครอบครัวผัวเมียทรัพย์สมบัติห่วงลูกเหมือนเชือกผูกคอห่วงผัวหเมียเหมือนปอสุกศอผูกศอกห่วงทรัพย์สมบัติเหมือนปลอกผูกตีนนขยับไปเท่าไหนไม่ได้เลยมันคิดแต่เรื่องแบบนี้ทรัพย์สมบัติเงินทองครอบครัวผัวเมียจิตจติดอยู่แค่เนี้แล้วมันก็สร้างมีบากกรรมขึ้นมาสร้างเครือข่ายขึ้นมาสร้างบ้านสร้างเรือนซ้าเงินหาทองนะ หารถหาลาหาทรัพย์สมบัติหาอะไรเข้ามาผูกมัดจิตใจเนี่ยมันเป็นเชือกเป็นสายเป็นโครงข่ายโยงใหญ่กับนไปมาเราก็โอ้ยยุ่งยากกันนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมโยงยากอันนี้จิตมันจะอ้างไปหมดเลยที่จริงมันเข้าไปในความคิดเฉยๆเพราะแม้ตัวเราเองก็ยังไม่มีตัวเราตัวเราก็เป็นรูปเป็นนามเราเกิดจากกิเลสตัณหาของความคิดทีแรกเนี่ย ของพ่อของแม่ต่อมาก็เป็นตัวเราขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี่ยพอเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเราเข้าไปในความคิดอีกมันก็เกิดตัวเราขึ้นมาอีกก็เป็นลูกเป็นหลานออกไปเรื่อยเรื่อยแต่ถ้าเราเห็นมันคิดปุ๊บเราก็ตัดทิ้งความโกรธเกิดขึ้นก็ตัดทิ้งความโลภเกิดขึ้นตัดทิ้งเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันธรรมำเลึกรู้เนี่ยดังนั้นความคิดมันก็สร้างกรงสร้างอะไรเข้ามาครอบจิตเราไม่ได้จิตเราก็จะตื่นอันนี่ยมันตื่นตื่นจากกิเลสกองทุกข์เนี่ย ถ้าไม่ทํามันออกไม่ได้ะคิดเอาออกได้ไหมไม่ได้ปรุงแต่งจะหาวิธีออกยังไงมันก็ยังเข้าไปในความคิดอยู่ดีอะปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกในความคิดนั้นคุณจะไปหาความคิดคุณจะไปหาด้วยความคิดอย่าไปคิดหาธรรมะธรมโเห็นไหมเวลาคิดธรรมะธมโเวลาคนมาดูด่าก็โกรธเหมือนเดิมเกลียดเหมือนเดิมเพราะเราเข้าไปในความคิดไงปฏิบัติธรรมนี่เราจะออกจากความคิดความคิดนั่นแหละเป็นตัวทุกข์นะ คิดโกรธคิดโลภคิดหลงเขาเรียกว่าคิดด้วยอวิชชาคิดแบบไม่รู้แจ้งเมื่อยังไม่รู้แจ้งเข้าไปในความคิดมันจะสร้างกลงสร้างกิเลสตัณหาในครอบงําจิตเราก็ดูว่ามันคิดแล้วนะคิดแล้วทิ้งทันทีเลยไม่เข้าไปในความคิดพอมันคิดก็รู้ก็ทิ้งศาสตร์อันนี้ฝรั่งเขาไม่มีนะอันเนี้ไม่มีเขาไม่ได้เรียนรู้เขาไม่รู้เรื่อง อั้นเวลาเราไปสอนธรรมะในต่างประเทศพวกฝรั่งเขาจะดีใจเขาไม่เคยเขาเรียนรู้แต่เรื่องอื่นเรื่องธรรมโน่นนูนี่ผลิตนั่นผลิตนี่แต่วิชาที่ออกจากความคิดเนี่ยเขาทําไม่เป็นนะอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยคนไทยมันก็ไม่เปลน่ยนวันวันหนึ่งก็เข้าไปในความคิดพอคิดโน้นคิดนี้ก็ไปให้หมอสืบชะตาให้รดน้ํามลพ่นน้ำหมากสั่งน้ํามูกใส่น้ํามูกคงไม่ใส่นะ รถน้ำมน์พ่นน้ำหมาบนะเพื่ออะไรเพื่อให้ใจมันดีไงทำสืบชะตาต่ออายุต่อนั่นตัวยิ่งมันต่อไม่ได้รถึงเวลาตายมันก็ตายเหตุปัจจัยมันแต่เราไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องก็เลยถูกพระหลอกอยู่เรื่อยเรื่อยทำการค้าการขายไม่ดีไปหาพระเนี่ยทำบ้นทำเรื่องเจิมยังไงเจิมยังไงก็ไม่ได้เลย เพราะพ่อจิตเราเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่จิตเรามันเป็นทุกข์มันไปยึดติดไงพอมันยึดติดมันไม่ปล่อยไม่วางสังเกตเวลาเราจะนอนเนี่ยถ้าเราปล่อยวางหลับได้เลยทําอะไรก็ตามนะถ้าเราปล่อยวางเราจะไปทําอย่างอื่นได้สบายแต่ถ้าเราไปคุยกับคนนี้เราติดอารมณ์กับคนนี้นี่เราจะไปทําอย่างอื่นมันมันไปแต่ตัวนะแต่จิตมันยังคิดเรื่องคนนี้อยู่มันไม่หลุด นั้นเวลาคุยกับคนนี้จบปุ๊บทิ้งทันทีเลยกลับมาอยู่ปัจจุบันได้เลยนะคนนั้นว่าให้ไปคุยกับคนนั้นปล่อยวางได้เลยกลับมาอยู่ปัจจุบันได้คือไม่ติดความคิดเนี่ยถึงเวลาตื่นตื่นนอนขึ้นมาเลยไม่เสียดายอันอบอุ่นนั่นนะเฮ้ยเอาสักหน่อยนี่ยทำวัดแต่เช้าเราเกินพระนี่เนี่ยมันวอยวายด่าพระในใจก็มีนะ คือจะพาออกจากทุกข์กขอันนี้แต่มันก็ไม่รู้จกออกยังไงลุกมาทำวัดนี่กูทุกข์มากกว่านะเนี่ยคิดนะสวดมนต์นี่ไม่น่าจะเอาปานนี้เลยน่าจะตีห้าหกโมงค่อยมาทำเลยอันนั้นมันก็ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแหละอันนั้นก็คนเข้าไปหาของจ่ายตลาดี่ยังตื่นกว่าคนตื่นปฏิบททัติธรรมอีกนะ ถ้าเรามาเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีงานสองงานตื่นเช้าได้เวียกหลายตื่นสายได้เวียกน้อยตื่นดึกเนี่ยได้งานสองอย่างหนึ่งงานทางจิตงานชำระกิเลสเนี่ยตื่นมานี่ยถ้กิเลสมันจะง่วงเนาะมันจะง่วงมันจะชอบเราจะได้เห็นมันแล้วจะออกจากมันคือต้องทวนกระแสนะเราตื่นมาตอนเช้านี่กิเลสมันจะอยากง่วงมันอยากหลับที่เราฟื้นบ่อยฟื้นบ่อยเราจะได้เห็นตัวมันตัวง่วงมันเป็นยังไงอะ เห็นมันเพื่ออะไรเพื่อจะดับทุกข์นะอันเนี้เมื่อเราเรียนหนังสือเนี่ยตั้งใจเรียนถามว่าคนอยากเรียนไม่หนังสือไม่อยากเรียนแต่ถ้าเรียนแล้วมาเขาเป็นคนฉลาดขึ้นอหาเงินทองเข้าของได้เหมือนกันเรามาเรียนรู้จิตใจเรานี่ที่มันง่วงมันเหงาตอนเช้าเช้านี่ยจริงๆคนเรานอนหกชั่วโมงพอนั้นหลวงตาท่งนบอกว่าเวลากลับไปที่พักแล้วนอนนอนเลยถึงเวลานอนนอนเลยพออะไรพอหกชั่วโมงเต็มปุ๊บ ที่สตื่นตื่นเลยให้มันตื่นแต่ถ้ามัวไปแล้วนั่งคุยกันอย่างนี้นี่แล้วมันจะติดอยู่ในกระโหลกความคิดเนี่ยนอนก็ไม่หลับหรอกคิดนั่นคิดนี่ที่คุยกันนัะน่ะตื่นมาเอามาคิดอีกเนี่ยตื่นมาก็จะมาเงาสลืมสลือพอะลรเพราะมันนอนดึกไงฉะนนอนหกชั่วโมงพอดีเปี้ยมันจะพอดีถ้าคนปฏิบัติรำจริงๆก็ประมาณสักสี่ชั่วโมงก็ถือว่าพอแล้วพระนอนสี่เศรษฐีนอนหกยาจบนอนแปดเขาว่าพระเนี่ยนอนสี่ชั่วโมง ชั่จมูกเพรามีงานต้องทําไงงานอะไรงานดับกิเลสในใจนะตื่นขึ้นมาดับละนอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มตีสองตื่นแล้วตื่นมามาดับกิเลสตื่นขึ้นมาเห็นไหมมีอะไรเข้ามาในใจเนี่ยเอาความงุนหงิดอึดอัดเกิดขึ้นมาเอาลบทิ้งดับทิ้งมีงานดับอาสวะอาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตเนี่ยเอาออกให้หมดไม่ใช่ไปติดราคะโทสะมากลางวันนี่นะแต่เป็นเรื่องที่ติดมาตั้งแต่เกิดน่ะ เราเกิดมาจมอยู่กับความคิดความปรุงแถงอะไรเนี่ยจะมาดับมานั้นนั้นถ้าเราใสซายค่อยมาทํางานดับทุกเนี่ยโอ้ยมันออกไม่ได้แล้วนะมันไม่ออกเวลาตื่นมาก็ปลุกกันหน่อยเด้อคนนั้นยังไม่ตื่นคนนี้ไม่ตื่นปลุกกันช่วยกันหน่อยไปไปไปทำวัดสวดมนต์ช่วยกันปลุกกันเพราะอะไรเพราะว่ามันหลายๆคนเรายังไม่เคยทำมาเนี่ยไม่เคยทํามันจะตื่นสายมันเสียโอกาส ช่วยกันมาพระนี่ก็มาปลุกปลุกจิตปลุกใจแต่ปลูกตาปลุกหูนิยมปลูกกันเองนอนด้วยกันก็ปลูกกันจะยิงนอนนี่อยู่คนละที่กันนะนะอย่ากให้นิยมไปนอนนอนข้างนอกนอนเต็นท์นอนอะไรนี่อย่าไปอยู่ใกล้กันนอนอยู่คนเดียวเพื่อว่าก่อนนอนเราก็จะได้รู้สึกตัวพอตื่นขึ้นก็กําหนดรู้เลยแล้วเราจะ จะวัดปริมาตรของจิตเราอ่ะตอนนี้มันตื่นเองเป็นหรือยังหรือว่ามันต้องให้คนกระดุกกระดิกก่อนมันถึงตื่นจิตมันไม่ตื่นง่ายเป็นแบบนั้นนะต้องไปอยู่คนเดียวอยู่ง่ายๆถึงเวลาตื่นตื่นถึงเวลานอนอยากนอนตอนไหนนอนไม่ต้องไปสนใจคนนั้นจะโกลนคนนี้จะอะไรมันไม่ยุ่งอ่ะนะคือมันมันเหมือนเป็นการฝึกโดยโดยธรรมชาติมาเลยอะถ้านอนคนเดียวน่าจะดีมากนอนเต้นนอนอะไรเนี่ยถึงเวลาตื่นเลยตื่น เวลาหลับหลับหลับนะจะไปห้องน้ําห้องท้ำไม่ต้องเดินออนอแอดแอให้คนสนใจอ่ะไปเองเนี่ยฝึกกออกจากความกลัวคนไหนยังกลัวผีกลัวความวิเภกกลัวความมืดกว่าอะไรนี่โอ้ยห่างไกลพุทธธรรมมาเนี้ยห่างไกลเห็นไหมคนปฏิบัติธรรมอย่างพระสงฆ์ข้าเจ้าเนี่ยปฏิบัติธรรมสติมันเริ่มดีแล้วเขาจะให้มีบทเรียนต่อไปคือไปอยู่ป่าช้ากัางคืนมาเนี่ยไปอยู่ป่าช้าเพื่ออะไรเพื่อทดสอบจิตว่ามันยังมีความกลัวอยู่ไหมแต่ยังมีอยู่โอ้ย หลวงพ่อผมยังมีอยู่นิดนึงตอนหกทุ่มตอนตื่นขึ้นมาอ๋เอาอีกเขาจะบอกให้ว่าฝึกแบบนี้แบบนี้ีจนออกจนหมดจนไม่มีผีมีอะไรอยู่ในใจแล้วน่ะมันชำระล้างได้หมดใจเนี่ยแต่มันยังมีอยู่ในใจอยู่ก็ทําอีกฝึกอีกน่ะแต่ถ้าเรามาอยู่ในกลัวนั่นกลัวนี่แล้วอยากอยู่กับหมูกับเพื่อนเพื่อนเพื่อช่วยประคับประคองใจอันนี้มันมันนานโตอันนี้นานโตเหมือนต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกไว้ในร่มนานๆเห็นไหม เวลาเราเพาะแปลงเนี่ยเพาะไว้ในแปลงเพาะเนี่ยเอาไว้นานมันจะแคละแกนแล้วตายต้นกล้านที่ปลูกในในหมู่มาหน่อยระหว่านอยู่ในแปลงเพาะเนี่ยถ้าปล่อยไม่ถอนเอาไปปลูกตายไหมตายแคล้แกนนะคนเขาเนี่ถ้าเอาไปปลูกต้นเดียวเม็ดเดียวไกลๆเนี่ยมันจะงอกเร็วมันโตเร็วมันกล้าสู้แดดสู้ลมไง มันสู้แดดได้สู้ลมได้สู้ฝนได้มันโตเร็วแต่ถ้าอยู่ในร่มเพาะนานๆค่อยเอาออกไปนี่ส่วนมากยิ่งมันมันเหมือนมันจะโตแล้วเวลาถอนไปมันง่อยเงาซึมเศร้าจะดีนะสังเกตคนปฏิบัติทำวิธีนั้นวิธีนี้ปฏิบัติมานานเหมือนได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นเกจิอะไรประมาณแล้วเนี่ยแล้วเราไปถอนลงมาปลูกเนี่ยมันจะง่อยจันดีเลยว่าทําไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้งดหยิดว้ยกูก็เคยทํามาอะไรอย่าง ทำแบบนี้มันไม่ได้เรื่องจิตมันจึงหดหินว่านึ้อดันรากมันขาดเไงนะปล่อยไว้สักพักหนึ่งต้องเอาไม้ดามเสียบไว้แล้วมัดไว้พวกนี้ต้องยกย่องสลับเสือญย่องยอนะมันถึงอยู่ได้ะแต่ถ้าปลูกฝังแบบนั้นเลยเนี่ยมันไม่ออกมันก็ต้องถอนไันแล้วก็ปลูกเอาไว้สักพักหนึ่งฮะบางทีสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยยังไม่ไม่สดชื่นขึ้นมาเลยแต่ถ้าถอนตั้งแต่ทีแรกแรกนี่เลยน่ะได้ โยม <constitution S 1> ถอน<ห>นี้แรกเลยนี่ออกไปอยู่คนเดียวเลยเนี่ยให้มันไปอยู่คนเดียวเลยอยู่เฉยๆของมันตื่นคนเดียวลุกคนเดียวตื่นมากำกำหนดรู้มันง่วงก็รู้มันขี้เกียจก็รู้มันเบื่อมันนายรู้นะมันตื่นสายรู้ตื่นเช้ารู้กลางคืนมันกลัวนั่นกลัวนี่ก็รู้รู้ไปสน้อยสอนเดียวมันเจ็บมันเหมือนเหมือนคนที่มีการบ้านเยอะๆเนะ่ยนะ พอเรียนรู้แล้วจะเกิดการสว่างเกิดการรู้แจ้งได้ไหวภาวะเนี่ยแต่คนไหนที่มีใจจมอยู่กับหมู่กับคณะกัเอาไปมากระลำคาญคนนี้คุยมันทีเขานอนเขาพูดคุยนั่นนี่เราก็เก็บมาคิดอีกล้วเนี่ยห้ามคนพูดกันได้ไหมมันไม่ค่อยได้นะแต่เวลาเข้าห้องน้าแล้วก็จะรู้สึกตัวเดินมาก็รู้สึกตัวตื่นดึกลูกเช้ามีไฟใช้ไหมทาคือของคนตัวเองคนเดียวทั้นพระเขาจึงชอบไปอยู่ตามดงตามป่า เป็นเจริญสมณธรรมเจริญความสงบอยู่คนเดียวไม่ต้องยุ่งอะไรจิตมันโตเร็วแบบนี้นะมันโตไวอันลองลองดูนะถ้าใครยังมีกรดมีเต้นอะไรลองฟื้นนะโดยเฉพาะคนที่ว่าเคยตัวเองเคยฝึกมาบ้างแล้วเนี่ยแสดงแสดงภูมิหน่อยนะออกปหาอยู่คนเดียวหน่อยเนี่ยอยู่ตามเดินมาเองแหละเข้าห้องน้ำมองท่าอะไรก็ อยู่ง่ายๆคนไหนที่เคยอยู่สุขสบายห้องน้ำห้องท่าดียังกับพระราชาอยู่แล้วเนี่ยลองลองหนีจากพระราชวังดูเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเคยอยู่พระราชวังแต่ก่อนหนีไปออกไปป่าไปอยู่เขาวงกฏไปอยู่คนเดียวเหมือนพระเวสสันดรทิ้งบ้านทิ้งเรือนเนี่ยทิ้งทิ้งเรือนก็ทิ้งไปไม่ต้องมีพระราชวังท่านไม่เอาละ ออกมาขี่รถกี่เลือมาก็ไม่ขี่เป็นไงเดินเอาเดินเอารถช้างก่อทานรถมาก่อทานขี่เอาเองเดินมาเดินไปหาอะไรเดินเข้าไปสู่ป่าอยู่ในเขาวงกดคือไปอยู่แบบง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆไม่ต้องมีใครช่วยเหลือ เขาว่ามีพระอินมานีลามิตศสาลาให้พระอินทก็ไม่มีใครแหละคือป่ามันมีร่มมีอะไรอยแล้วก็หาอยู่ตามป่าตามร่มนั่นแหละตามหุูตามเหวตามเขานะของเราก็เหมือนกันนะนะมาปฏิบัติธรรมมันยังจะอ ย, ย, อยู่ห้องอยู่หับยังกับพระราชาอยู่ก็อย่างว่านั่นแหละมันช่วยอะไรเราไม่ได้คุณเคยอยู่ดีเนะี่ยไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีใช่ไหมเคยอยู่ในที่สวยที่งามที่สรวกสวบายไปอยู่ในที่ขับแขนอยู่ที่ยา ก, ยากลําบาก พะเนี่ยเขาจะปักกดปักอะไรอยู่อยู่เป็นง่ายๆขนาดที่เขาฝึกมาแล้วนะแต่พวกเราทั้งหลายไม่จะฝึกใหม่กลับมานี่ยิ่งถ้าอยู่ในห้องอยู่อะไรที่มันสวยงดงามมันไม่มีการฝืนใจไม่มีการเรียนรู้ที่สําคัญคือถ้าอยู่ด้วยกันสองคนก็ไปเอาอีกละยิ่งโง่โง่ด้วยกันเนี่ยยิ่งคิดมากยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งพูดจิ้งคุยออกไม่ได้หรอกแล้วก็จมพูดอดีตอนาคตอะไรประมาณนั้นแหละนรามาจากไหนนี่ อยู่บ้านใดทำอะไรมามันไม่มีหรอกถามเรื่องนิพพานเนี่ยถามเรื่องไรสาระชีวิตมันนั่นแหละแล้วมันก็ออกไปนะก็จมอยู่ความคิดอันนั้นเอาไปก็ขอลายเซ้นเอาเบอร์โทรหน่อยประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรนั้นถ้าเราจะหาธรรมะที่บอกอะไรโลกุตระโยจัตถทัตตีปโน่ซึ่งเป็นโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้น มันต้องหาสัจธรรมประเภทที่ต้องอยู่คนเดียวต้องมีเอกีภาวะเอกีภาวะคืออยู่ภาวะคนเดียวอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวอันนี้แยกตัวแยกกายแยกจิตอยู่อย่างนั้นอ่ะได้ถ้าอยู่กันสองคนสามคนไปเป็นธรรมะของคนคู่ละมันยากมันต้องฝึกต้องฝืนต้องสังเกตลองดูนะตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนหมอนมุ้งเรียบร้อย สบายพระห่มอะไรนี่เยบไม่มีออยู่ด้วยคนเดียวไม่มีอะไรแต่ถ้าอยู่ด้วยครูกับหมูกับคณะเนี่ยเงื่อนไขมันเยอะนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยสิ่งที่ดีคือไม่คลุกคลีอสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายไม่พูดไม่คุยแล้วก็สํารวมอินทรีย์อินทรีย์สังวรไม่คลุกคลีกับหมูคณะ ไม่คลุกคลีกับด้วยบุคลบคลด้วยอารมณ์บุคคลก็ไม่คุยไม่พูดคุยกันด้วยอารมณ์อารมณ์แปลว่าว <ะ S 1> เดินจะกรมไปก็ไม่คลุกคลีกับอารมณ์ตัวเองนะ่ะอารมณ์อดีต ค, คิดขึ้นมานี่ต้องทิ้งตัดทิ้งอารมณ์มานาคตอารมณ์พอใจเมื่อพอใจงงเงิ น, ง อ, นงอุดเงินดัดฟุ้งซ่านง่วงเหงาอย่าไปคลุกคลีกับมันวพวกนี้อย่าไปเสวนากับมันบางคนพูดอยู่ในใจก็ไม่ได้ตัดทิ้งและลึกรู้เพราะเราจะออกจากความคิดปรุงแต่งพวกนี้ให้ได้ไง จิตลราเนี่ยจะมาอยู่กับปัจจุบันธรรมสิ่งใดที่ทชี้แนวแห่งโลกุตระนะเป็นลักษณะของธรรมะเป็นแนวแห่งโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระโลกุตระก็คือมรรคผลนิพพานนั่นแหละโยมขะปากามะตะเพธปินโกประเภทที่เป็นมรรคผลนิพพานมรรคคืออะไรนะ อย่างเรามาปฏิบัติทารู้แจ้งอริยสัจนี่จะมาทําการรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจคือทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกคืออะไรทุกข์คือสิ่งที่มันคิดนั่นแหละมันคิดแล้วมันเป็นทุกข์เวลาเรานอนไปทุกไม่ได้เป็นทุกข์แต่มันไม่เห็นสาเหตุของการคิดนี่นอนหลับมันหลับไปแล้วมันไม่ทุกข์นะมันเฉยเฉยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเพื่อการเกิดปัญญามันไม่ใช่มัก ทำไะสู่การดับทุกข์อันนั้นเป็นไปเพื่อการติดการยึดการเพลิดการเพลินอยู่ในความหลับความม่วงทีเราก็มาเฝ้าดูเห็นนะโอ้ความทุกข์คือความคิดมันคิดมันเป็นทุกข์สาเหตุของมันล่ะเพราะมันอยากอยากมันอยากคิดน่ยที่มันคิดที่มันอยากอยากอะไรอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงถามว่าทำไมมันจึงอยากเพราะมันมีตัณหา ความอยากอยากอยากในกามการมัตนาภาวะตนาติดในความคิดที่เป็นอดีตมาเขาเรียกภาวะตนาภาวะแปลว่าพบภูมิของจิตที่มันฝังอยู่เนี่ยวิภาวะตนาไม่อยากเบื่อหนายเนี่ยอยากกับเบื่อดูดิการมัตหนาติดในรูปรสกลิ่นเสียงภาวะตนาติดอยากมีอยากเป็น วิภาวัตนาไม่อยากมีไม่อยากเป็นหลายๆคนจะเกิดวิภาวัตนานั้นเนี่ยเมื่อก่อนก็อยากอยากมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ไม่ใช่อยากในกรมอยากในกรมก็คือติดในรูปติดในอาหารตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกินเสียงต่อมาติดอยากเป็นอยากรู้ธรรมะมาปฏิบัติธรรมเมืทีนี้พอปฏิบัติธรรมมันทุกข์ไม่อยากเลยทีนี้อยากหนีนี่เป็นวิภาวัตนาจิตมันจะเป็นอย่างนี้กลับไปกลับมาอยู่แบบเนี้ภาวัตหาวิภาวัตนา ทีนี้เราปตาิบัติทํำเพื่ออะไรเพื่อสลายไอ้ตัวเนี้ยไม่เข้าไปในมันไม่ปไ ป, ไปยึด ต, ติดในมันเห็นมันนะทิ้งมันทิ้งไปไหนถ้าทิ้งเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีที่เกาะเขาเรียกว่าไม่มีฐานแต่ทีนี้พอเราทิ้งปุ๊บเราจะมาอยู่กับฐานฐานกายเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสติตัวระลึกรู้เนี่ยเอเห็นมันคิดเลยนะก็รีบมาอยู่กับการรู้เห็นกายเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานมีอยู่สอย่าง คือฐานกายอยู่กับกายดูดีๆนะอยู่กับกายเรียกว่าฐานกายพอเราลึกรู้อยู่กายกายนี่จะอยู่กับลมหายใจอยู่กับจริงๆเขาใช้คาว่าอาการกายอยู่กับอาการของกายของร่างกายเนี่ยยืนก็ได้เดินนั่งนอนส่วนไหนก็ได้กระพริบตาหายใจนะเคลื่อนไหวส่วนไหนให้ระลึกรู้ระลึกรู้กายเนี่ยให้มันเยอะๆถ้าระลึกรู้อย่างีก็เรียกว่ามันมีฐาน ฐานของการดูแต่ส่วนมากเราไม่มีส่วนมากจะดูลูกดูหลานดูผัวดูเมียดูครอบครัวทรัพย์สมบัตินัดูรถดูเรือไปโน่นมันไม่ได้อยู่กับฐานอันนี้มันก็เลยไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสติถ้าสติที่ถูกต้องนะเป็นสัมมาสติคือต้องเป็นสติที่อยู่กับฐานกายฐานกายดูกายนานๆมันก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาคือเจ็บปวดเมื่อยคุณทก็ต้องผ่านตัวเจ็บตัวปวดตัวเมื่อนี้ให้ได้ต้องเฉยกับมันให้ได้ ทำเป็นไหมมันจะยากนะอยู่กับกายเฉยๆตอนนี้มันพอได้เห็นไหมมันเริ่มเจ็บแข้งข เ, เจ็บ ข, า, ขาเนี่พอเจ็บแข้งเจ็บขาน้องจะคิดเยอะแล้วทีเนี้ยว้ไม่หนอกกูวายไม่นอกกู น, กกนะผ่านไปถึงมึงไม่ได้ชวนกูมาเลยนะเนนี่พราะว่าเนี้มันจะยาวไปะจิตเนี่ยนั้นดูกายก็ให้มันอยู่กับกายมีเวทนาเกิดขึ้นทิ้งให้เป็นเวทนานี่เอ้าตายเป็นตายเดินไปเลยนี่ง่วงเป็นง่วงเวทนาตั้งตาก็มีเวทนาตั้งหูก็มีนะ มันอะไรเกิดขึ้นนี่เราสลัดออกให้มันอยู่กับมาอยู่กับตัวรู้เฉยๆเอ้าปวดก็รู้ว่าปวดเมื่อยก็รู้เมื่อยรู้สึกเฉยๆเนี่ยให้มันเฉยๆนี่มันปวดล่ะปวดก็รู้ว่าปวดแต่รู้แล้วอย่าไปปรุงมันเขาเรียกว่าอย่าไปมีอุปทานในรูปอยู่กับรูปแต่อย่ามีอุปทานอุปทานในรูปอยู่กับเวทนาที่มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยแต่อย่าไปยึดมั่นถือมันในความเจ็บความปวด อย่าไปคิดว่ากูปวดกู้เมื่อยหลายๆคนนัดีจะบอกว่าเป็นโรคไัยไข้เจ็บอย่างโน้นอย่างนี้โอ้ยกลับแล้วขออนุญาตเถอะอะไรเนี่ยลืมเอายามาบางทีก็มีนะนี่หมอนัดก็มีนะนี่มันจะว่าขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเพิ่งนึกได้หมอนัดบางทีก็โอ้ยลืมปิดไฟบ้านให้มันไหม้ซะบ้านนั้นก็หมอนัดก็เขาแม่ว่ากั้ปล่อยมันตายซะบอกมันอย่างนี้เอามึงตายเป็นตายกูจะปลุกเสกมึงให้ได้ละ โยมทั้งหลายเดี๋ยวนี้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเข้าทาพิธีพุทธาพิเศษอันนี้พุทธาพิเศษคือให้พระอยู่นี่ปลูกเศกให้มันเป็นพระให้ได้นะของเรานี่จะดีกว่าถ้าเอารูปเอาเหรียญมาให้ปลูกเเศษมันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกนะเพราะมันไม่มีหูขนาดโยมนี่มีหูนี่ม่ให้ดวงตาปลูกเสษตื่นมันก็ยังไม่อยากตื่นเนี่ยแล้วจะไปปลูกเศครูปปลูกเศียเหรียญมันไม่เกิดหรอกนะทัานพระนี่มารักษาเราไม่ได้ต้องเป็นพระอันนี้พระที่อยู่ในใจเนี่ย แต่ละองค์แต่ละองค์ของเราเองนี่เอาพระนี่ปลุกพระขึ้นมาวิธีปลุกพระพระคืออะไรพุทธะนี่แล้วรู้ตื่นเบิกบานพระพระสติเนี่ยสติเราทุกคนมีสติอยู่แล้วปลุกตัวสติให้มันขึ้นมาขึ้นมาทําหน้าที่ในการตัดความคิดตัดความม่วงตัดความเหงาให้มันออกจากความปรุงแต่งให้มันมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยร่างกายโยมรักษาได้เจ็บไข้ได้ป่วยโยมรู้นะยมเป็นมดเป็นหมอเป็นพัจบันเป็นอะไรแต่นี่เขารู้จักวิธีรักษา แต่เรื่องของจิตเนี่ยหมอก็เป็นโรคมเนี่ยหมอก็คิดมากฟุ้งซ่านหมอก็กินโรคพารอยาพาราแก้ปวดแก้ววัดแก้ง่วงแก้งเหงาแก้อะไรต่างเนี่ยนะมันคิดเยอะความคิดเนี่ยเพราะหมอก็มีความรักมีความช่างความโกรธความเกลียดเขารักษาไม่เป็นหมอจิตแพทย์ก็ยังเป็นเลยเพราะมันไม่รู้แจ้งมันได้แต่กลบเกลื่อนเป็นเรื่องของจิตวิทยาแต่ไม่ใช่จิตวิทยาเนี่ยเป็นวิปัสสนาเนี่ย จะคนละภาวะเกิดวิปวัสนาแปลว่าการรู้แจ้งคือไม่ต้องกลบทื่นไม่ต้องสร้างเงื่อนไขอันนี้เพียงแต่ว่ารู้สึกตัวมันโกรธก็ดูความโกรธมันง่วงก็ดูความม่วง ด, ดูกายเลยก็จะเห็น<ด><ด>เวทนาเกิดขึ้น<ด>แต่ว่าต้องมีสติต้องให้ผ่านเวทนาให้ได้นักบวชต้องมีศรัทธาปฏิบัติธรรมเนี่มาด้วยศรัทธาไหมศรัทธาต้องมีวิริยะวิริยะคือความกล้ากล้าที่จะสู้กับตัวเวทนาเนี่ยต้องผ่านให้ได้เราก็ไม่อยากให้จมหรอก เวลามันปวดขาก็นั่งพิกซ้ายพิกขวาได้เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้ไปล้างหน้าล้างตาได้ทําอะไรก็ได้คือให้มันออกออกจากความมัวคือหาวิธีออกนั่นเองน่ยมันจะออกสักพักหนึ่งล่ะพอมันประคองรู้สึกตัวเจ้าหน่อยมันจะเกิดการรู้แจ้งขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปล้างหน้าได้เลยทีนี้ไม่ต้องเดินแรงๆก็ได้ไม่ต้องลืมตาทํากว้างๆก็ได้คือมันตื่นแล้วอยู่ข้างในนู่นนะพราะมันตื่นขึ้างในมันก็จะสว่างสวัย คนไหนน้องเมื่อวานนี้ที่พูดว่าปฏิบัติแบบหลับตามันี้ไม่ใช่หลับแล้วหรือลืมตากว้างๆนะมองไกลๆลืมตาถ้าเธอจากง่วงหายง่วงไว้เธอดูท้ายถอยพระเนี่ยดูท้ายถอยพระเนี่ยดูว่าองค์ไหนง่วงหรือยังเนี่ยสังเกตดูองค์นั้นแหลก็องดูท้ายถอยองค์นี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ดูหาเรื่องนะนะแต่ดูหาธรรมะหาความปกติในจิตตัวเองเดี๋ยวมันก็จะตื่นขึ้นมาหรอกนะตื่นขึ้นมา ทำตากว้างๆทำตาโตๆมองไกลๆถ้ามันยังง่วงอยู่ก็เอามือถูตานถูหน้าถูตาให้ส่วนเดี๋ยวมันก็หายให้เลือดมันวิ่งขึ้นมาให้เลือดมันวิ่งขึ้นหน้าถูไปถูมาไม่จะตื่นตัวตื่นตาหรอกถ้ายังง่วงอยู่ก็ลงไปล้างหน้าล้างตาถ้าล้างยังไม่ดีไม่มียังง่วงอยู่ก็ใช้น้ํายาสันไหลเนี่ยล้างเหมือนล้างจานเนยถูออกนะแล้วมันจะออกได้ถ้ายังไม่ออก ถมน้ำลายใส่มือแล้วถูหน้าถูตาถูไปถูมันออกเองแหละถ้ามันยังไม่ออกก็บอกคนข้างๆถมให้หน่อยดีเนี่ยมันจะออกได้เลยลองดูนะถ้าไม่เชื่อหลวงตาทำสามอย่างในที่สอนนี่ออกได้เลยแหละแต่ตัวตนมันมีนะตัวตนมันมีคนเนี่ยบางทีเขายังไม่ไมใส่เลยเลี้ยวดูอย่างหนึ่งยาได้อาได้มันโกรธแล้วมันหงุนหงิดแล้วตัวตนมันเยอะไงนมันเยอะ คนมองไม่ได้อะไรไม่ได้แค่มันหลับปุ๊บคนมองมาเขามองเรื่องของกูเนี่ยมันคิดอยู่ข้างในกูหลับนึกเรื่องของกูไม่ต้องมาพูดอะไรไปจิตมันเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะต้องให้มันตื่นตัวจริงๆตื่นด้วยตัวเองนะเนี่ยประคองตัวรู้นี่ให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นพอเธอจะมานั่งสบายงกสบายงากได้มาแล้วก็เงาอันนี้มันต้องไปคนละสายอันนั้นสายหลับบัณฑ์อันนี้มันสายตื่นนี่ สายพุทธะรู้ตื่นเบิกบานนะนี่บางแห่งหลวงตาเคยไปปฏิบัติธรรมพอนั่งมาถึงตอนนี้ก็นั่งนั่งขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายตรงดําลงสติเฉพาะหน้าปิดไฟด้วยพอปิดไฟด้วยนี่ยเจบพอดีละรู้ทันทีมันจะไปทางไหนนะะมันจะไปอยู่ภพภูมิไหนรู้นะปิดไฟด้วยเนี่ยให้มันแสลวในน้อยโอ้ยมันก็ไม่ตื่นนะมีหน้าศาสนาพุทธมันจึงไม่เจริญ พุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานมันไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะเราให้โอกาสมาแล้วไงะชักสะพานไปเนี่ยไม่ได้เหมือนกับมีโทรศัพท์อยู่ในมือเนี่ยอย่าไปคิดได้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้นะโอยไม่ได้แล้วกลางคืนมันขึ้นไปมันก็งดทีแหละแต่หลายๆคนนี่มันจะแอะไปหาโทรศัพท์ตรงโน้นตอนนี้อย่าไปยุ่งมันนะจิตเนี่ยปล่อยมันมีอะไรเกิดขึ้นยังไม่สนนะรู้ว่านั้นคือทุกข์รู้สึกตัวเฉยๆไปเดี๋ยวมันหลุดเองหรอกมันมันหลุดเอง ปล่อยวางไปเถดูกายดูกายปล่อยวางกายให้ได้ทีนี้เขาบอกว่าวินัยยะโลเควิชาโทมนั ส, สั่งอันิกายโยติวัปนัสสะสติปจุ ป, ปติตาหนติก็แหละสติคือความระลึกว่ารู้ว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั่นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกอันนี้สิโตจวิหรติ ที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ย่าให้ตัณหาอย่าให้ทิฏฐิความคิดความเห็นอะไรเนี่ยมาอาศัยจิตเราเกิดนะใจเราเนี่ยมันว่างๆเหมือนแปลงเพาะอะไรสักอย่างเลย่าให้เมล็ดอะไรมันตกลงมาแล้วมันงอกขึ้นมานะอย่าให้ความคิดทิฏฐิตัณหาทิฏฐิมานะราคะตัณหามาอาศัยจิตนี้เกิดให้รู้ว่าเออมันปรุงแต่งอะไรนะเนี่ยมันปรุงแต่งอะไรจะเกิดเนี่ยงุ่นหงิดแล้วนะเบื่อแล้วนะนี่ทิ้งไปดีเลย เอาสติลราตัดออกกลับมารู้สึกตัวอยู่ไปจนโอ้มันคิดแล้วทิ้งมันไปกลับมารู้สึกตัวล้วนๆเนี่ยถ้าเป็นนี้เขาเรียกว่าเห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นกายที่มันไม่มีความคิดความปรุงแต่งเนี่ยเห็นกายที่มันสะอาดสว่างสงบเนี่ยในกายที่มั่วๆอันนี้นะให้มันเห็นชัดๆอ้าวยอดโยมนั่งคูกเข่าขึ้นทุกคนนี้นั่งกูกเข่าเอานั่งกูกเข่ากูกเข่า เอยืดตัวขึ้นชันเข่าขึ้นที่นี่ตั้งเข่าขึ้นเอาเอามือสานกันนิ้วมือสานดันขึ้นข้างบนออกกําลังกายพระออกกำลังกายมันจะง่วงจะเงาแล้วไฟตะเกียงมันจะดับอระวังนะตะเกียงหลุดนะเอาดีๆนะมันยังไม่เคยได้ดันขึ้นไปแรงๆบิดซ้ายบิดขวาเอียงซ้ายเอียงขวาออกกาลังกายเอาเองนั่นแหละนั่นแหละบิดไปบิดมายืนขึ้นอีกหน่อยเอ้าแถวหน้นไม่ต้องยืนเรื่องปู้ยใจได้ยืนอยู่ใกล้หัวพระ แถวล้างยืนผู้หญิงยืนขึ้นยืนขึ้นยื่นขึ้นผู้ชายนั่งนั่งเอาเฉพาะส้นเท้านั่งดูดิตั้งขึ้นเอาเข่ายกขึ้นผู้ชายนะเอาส้นเท้านั่งปลายเท้านั่งปลายเท้าเออเดี๋ยวนั่นแหละให้มันยืดตัวดีๆแล้วเดี๋ยวมันจะหายง่วงหรอหายสลึมสลือเอาออกกำลังกายผู้หญิงแอ็นหน้าเอ็นลังบิดซ้ายบิดขวาะก้มลงดูนี้เอามือจดแตะพื้น ดันลงไปเออนั่นแหละดีขึ้นบ้างแล้วนะเอานั่งลงนี่นี่นั่งลงนั่งลงเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นหน่อยหน่อยต้องฉลาดกับมันหน่อยอันเนี้ยถ้าจมอยู่ถ้าเดียวอย่างเรานั่งอย่าขยับนะเี่ยใครขยับไม่มีสมาธิอย่าไปกระดุกกระดิกอันนี้มันยิ่งหลับเพิ่มอันนี้อันนี้ให้มันตื่นตัวฝึกให้มันตื่นนะ แต่ในขณะที่เราเคลื่อนไหวนี่เราก็พยายามให้มันระลึกรู้อย่าให้จิตมันวิ่งออกไปข้างนอกนะเราจะขังมันอยู่ในในจิตเนี่ยจะอบมันรมมันเหมือนอบรมกระรอกกระแต่เนี่ยที่มันอยู่ในโพรงนะอบมันรมมันอันนี้คือเหมือนกันจิตเราไม่ให้มันวิ่งออกไปดึงกลับขึ้นมาแล้วจะดูมันดูว่ามันคิดได้ยังไงอะมันปรุงแต่งได้ยังไงมันชอบเรื่องอะไรทำไมมันติดจังเนี่ยเรื่องอะไนี้ก็ระลึกรู้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกไปเอง กิเลสเหมือนกระลอกกระแตเดี๋ยวมันก็ตายอบมันบ่อยๆมันไม่ได้หายใจส่วนมากเราให้มันคิดไปคิดไปมันก็ออกไปเรื่อยแหละเนาะงั้นดูกายให้มันชัดเจนสติดูกายแล้วจะเห็นเวทนาที่ปรากฏเวทนาก็จะติดนะพอผ่านกายก็รู้สึกกับกายเห็นไม่ได้ยึดมั่นหรือมั่นกับกายปล่อยวางได้การการรู้กายนี่มันรู้สองแบบหนึ่งรู้แบบที่เรากําหนดรู้แบบนี้นี่ ยกมือเนี่ยรู้สึกวางลงรู้สึกความรู้สึกรู้สึกนี้เราเจตน า, นานที่จะรู้สึกอันนี้แต่ยังไม่ใช่สติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานเนี่มันจะเป็นการรู้แจ้งของมันเองรู้แจ้งนี่นมันจะปล่อยวางกายได้แต่นี้มันปล่อยวางไม่ได้เนี่ยยกขึ้นนี่เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็หล ง, เ ด, ลงเดี๋ยวก็กลับไปกลับมาอ่างี้พราะมันยังไม่ใช่สติอันนั้นไงเราจะปฏิบัติทําให้มันเกิดสติอันนั้นเดี๋ยวเนี้สติแบบสติอริยมรัก สติที่มันเป็นอิสระในการดูการเห็นกันการรู้เนี่ยอันนั้นตั้งหานั่นแหละคือพุทธะที่บุรุษเจ้าท่านชี้ท่านชี้ให้ตรงไปสู่จุดนั้นเดี๋ยวเนี่ยให้เห็นเนี่มันแจ่มแจ้งอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันไม่ยังไม่แจ่มแจ้งมันจะเป็นอย่างนั้นโยมจะให้ถึงสามวันเลยตัวง่วงนี่นะออกจากนี่ไปโยมจะไปนอนอีกเป็นอันาดได้บางคนคิดว่าหลวงตาปล่อยนี่กูจะไปเอาอีสน้อยนะตอนท่านไปบินธบาตินี่แหละชดเชยไม่ได้เลยไม่ไปเลยนี่บินบาทไม่ไป จะเฝ้าเลยจะให้พระท่านไปบิณธบาตหลวงตาเนี่จะเฝ้าตรวจสอบโยมมันไปห้องน้ําุ๊จะดึงประตูออกมาเพราะมันนานผิดปกติไงสงสัยมันจะพิงฝาหลับอยู่ในนั้นต้องช่วยกันแหละโยมเอ้ยถ้าไม่ช่วยกันไม่รู้จะว่าอันทีมาไปฝึกที่ไหนคนก็เกียดก็ชังเพราะอะไรเพราะว่าคืออยากช่วยโยมมาเลเองนะมันชังก็ชังเฉพาะคนที่ทําไม่ได้หรอกคนที่ทําได้เขาก็ไม่เกียจไม่ชังเขาก็รักนะรักก็ไม่ได้ ชังก็ไม่ได้อยู่ใครอยู่มันเป็นทุกข์นะรู้เฉยๆแต่คนไหนที่รู้ตื่นขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยแก้ไขปัญหาตัวเองเป็นแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับชีวิตเขาหรอกเอ้ามันประคองไปแล้วเนาะเหมือนต้นไม้น่ะแต่ก่อนเนี่ยถอนเอาไปปลูกปุ๊บต้องเสียบไม้มัดไว้ทีนี้พอมันตั้งได้แล้วรากมันออกปุ๊บเราก็เอาออกแต่ถ้ามีเรื่องเทน้ํายาเร่งรากเข้าไปปลุกบอกสอนแนะนําให้โยมทํานี้ทํานี้พอมันออกรากมันติดแล้วก็สบายนั้นต้องฝืนน่ะ ออกจากบ้านมาเนี่เหมือนต้นไม้เลยแหละถอนมอกมาจะมาปลูกมันจะดิ้นนะเงาคอตกคอพับบางทีก็ต้องเด็ดยอดมันออกตัดมันออกเหมือนต้นกล้วยไปปลูกเนี่ยแบกมาทั้งต้นก็ไม่ไหวอ่ะมันจะคายน้ําเยอะมันจะเงามันจะเฉาตัดจุดออกให้เหลือสั้นๆแต่มันจะงอกได้สบายเลยชีวิตก็เหมือนกันตัดความคิดตัดจิตตัดใจบางคนมีกุญแจรถอยู่ในนี้ไม่ได้ยึดกุญแจรถลืมตากว้างๆยอมเอาหลับมีอีกแล้วนี่ ตายปลูกเสกนี่ต้องเสียค่าปลูกเยอะนะเนี่ยมาปฏิบัติทําได้หลายคนเน่ะมีกุญแจรถกุญแจรถก็มาฝากไว้นะพอมันมีอุปกรณ์กิเลสอยู่ในรถนันบ่อยเดี๋ยวไม่เปิดแกลกดูอีกแล้วได้กระดาษที่ชูแผ่นหนึ่งก็เอาเขาจะได้เปิดรถถูไปถูมานี่จิตมันปานนั้นนะบางคนเข้าไปเปิดดูเปิดไปเปิดมาบางทีมันมีมือถือสองอันมาฝากไว้อันหนึ่งแล้วอันหนึ่งอยู่ในนั่นอีกนะ เด็กลวดลายได้กิเด็ดเนี่ยฮัลกุญแจต้องฝากไว้ไม่มันคิดอย่างน้อยมันจะไปเปิดมันกรอ้ายมาเอาออกมาทั้งหมดเน่ยเครื่องซัมองซามางอยู่นั่นตอนเย็นมันไปทากระจกมันไปขอส่องกระจกดูรถสักหน่อยก็ยังดีเนี่ยจิตมันติดไงมันเคยเอาออกให้หมดเลยอย่าให้มันมีต้องเด็ดขาดนมอยาให้มันมันหลอกเราคือปล่อยวางมันเลยลถเนี่ยจะไปยุ่งกับมัน บางคนโอ๊ยเกิดเจ็ดวันจะเป็นเนื้อดวงตามีช่างซ่อมพระที่ท่านบวชมาอยู่ด้วยเนี่ยท่านช่อมแมคโครตัตรถอะไรมีซ่อมได้หมดนะโตโยต้าฮอนด่ายามาฮ่าซ่อมได้หมดคือแบตหมดเนี่ยเขามีแบบเอาไปเชื่อมต่อกันสตาร์ทง่ายท่านเป็นยังอะไรทีไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัววันสองวันไปสตาร์แล้วสตาร์แล้วอยู่นั่นแหะ โอ้ยอันนี้มันไม่รอดเลยไอ้ น, นี่กิเลสมันก็ปลอมมาแบบนี้แหละ ม, มันที่เข้าไปในนอนตอนเย็นเปิดนั่นเปิดนี่ท่านหงจะไม่ดูกูแอบหลับใ น, นนี้ก็ได้แน่ ม, <า>มันเมื่อยจริงๆนะั่นปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเมื่อยมันจะเบื่อจะอจะไรทั้งหมดแหละบางคนก็เข้าไปส่องเสริมสวยในนั่นถ้าส่องใน น, นี้ก็คนก็เห็นเนาะก็เข้าไปในนั่นนะไม่ต้องเข้าไปยุ่งมันนเราไม่รู้ว่าในนั่นคุณพกอุปกรณ์กิเลสมาซ่อนไว้เท่าไหร่ ฉันจงมอบกุญแจงมาซะดีๆเอามาฝากไว้เหลือแต่ตัวล่อนจ้อนปฏิบัติธรรมเนี่ยเหลือแต่กายกับจิตอย่างเดียวน่ะเท่านั้นเองให้มันว่างมันสบายๆมันไม่มีอะไรอ่ะย่างนี้จะไปไหวคนไหนกล้าหักใจตัวเองหักกิเลสอย่างเงี้ยได้ได้แต่ยังทอดสะพานให้มันอยู่นี่ไม่รอดอตมาจะรับผิดชอบโยมทุกอย่างเลยมาที่นี่นะ ตายพระที่นี่ก็จะสวดฟรีนะเอาจริงนะเอาจริงนะจะไม่เก็บตังค์ละเพราะพร ะ, พะที่วัดก็ไม่ <พะ S 1> ที่วัดสมวนัทเนี่ย <พะ S 1> เป็น <พะ S 1> วัดเดียวนะในโลกในประเทศไทยนี่ที่ไม่รับสวดมนต์ไม่ได้รับสวดมนต์คนตายคนอะไรยไม่เคยไปโยมแก่โยมเจ็บโยมตายโยมมีปัญหาโ น, น่นนี่วัดไม่ได้รับ หมู่บ้านในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเวลาคนตายเขาเขาต้องนีมนพระทั้งอื่นมาสวดมาเลยพระเราทําเรื่องเดียวปฏิบัติธรรมพระนี้ไปสอนแต่เรื่องแบบนี้งานสวดงานฉันงานเสกพวกนี้ยไม่ได้เอาเสกเป่าทําค่าทงค่าถาทำรดน้ำไม่ได้ทําทําบ้างนิดนิดหน่อยงานอันตลกว่าแต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังนะยังรู้จักกันเนี่ยโอ้ยหลวงตา เจ be like, ิมรถให้หน่อยเงี้ยเจิมได้เป็นบางคนที่รู้จักกันมาแล้วก็เจิมเจิมเอาคนเจ้าของรถอะไรมาเจิมมาพูดคุยอย่้มันมีสตินะมึงขับรถไป็นหอยังถ้าไม่ยังไปสอบไปกับขี่ทีทำให้มัเป็นพอมันเป็นแล้วก็เจิมเสร็จปุ๊บก็ขับได้แต่ไม่ใช่เอาแป้งไปแปะเปะแล้วขับวิ่งไปได้เลยนะตายเหมือนเดิมนะอันเนี้ยมันไม่ได้เจิมคือเจิมคนคนเจ้าของรถนะถ้ายังไม่ดีล่ะะไปเข้าโรงซ่อมเขาเข้าอู่เช็คเขา เราจะไปเดินทางไกลเนี่ยไปให้ช่างเขาเจิมคือเขาสอนให้จะใช้ชีวิตให้พระเจิมจะใช้รถให้ช่างเจิมเท่านั้นเองอยู่กับความจริงชีวิตนเนี่ยไม่ใช่อยู่กับความงมงายอะไรมันจะสบายแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้แบบนี้นี่มันจะยากยากที่เราไม่เข้าใจชีวิตแล้วก็จะไปโทษนั่นโทษนี่ เวลาลดความรวยไไปให้พระเจิมจริงๆเอาไปให้พระสอนเนี่ยให้เตือนสตินะไม่ได้เกี่ยวกับผีไม่ได้เกี่ยวอะไรผีมันไม่มีนะมันมีที่ความคิดเราเมื่อไหร่ที่คุณตัดความคิดออกผีไม่มีสิ่งที่เห็นบางคนก็เห็นเคเห็นผีนะเห็นหีเห็นวิญญาณเห็นโน่นนี่เห็นหมดเลยเพราะมันมีอุปทานไงอุปทานในจิตในความคิดมันเนี่ยมันก็มีลวงตาเนี่ก็เห็นเยอะแยะเรื่องผีเรื่องอะไรสมัยไม่เข้าใจจิตตัวเองแต่พอเข้าใจมันไม่มี พระทั้งหลายทั้งปวงที่ปฏิบัติธรรมพอปันหาไปมันก็ไม่มีเหมือนกันนะนะมันยังโง่อยู่เพราะจิตมันติดความคิดไงปฏิบัติธรรมเราให้ออกจากความคิดอันนี้ออกจากความปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยมันคิดธรรมดาแต่ที่ฝังมาล่างลึกนานๆเขาเรียกว่าเป็นอุปทานการมุปาทานทิฏฐปาทานอัตวาทุปาทานศิลระปตุปาทานอัตวาทุปาทาน มีอัตตาตัวตนอุปทานในตัวตนของตัวเองที่ถูกประทานติดทิฏฐิความคิดความเห็นอย่างเคยปฏิบัติธรรมสายนั่นสายนี่มันติดความคิดหน้าจะยังไงเห็นไหมมันไปทุกข์เพราะความคิดมันอันนั้นถูกอันนี้ผิดเราไปติดสมมุติเนาะเขาสอนมาสังคมสอนไปแล้วพอมาปฏิบัติธรรมมันก็แยกออกไม่ได้จากความคิดเนี่ยจากความรู้สึกตัวจากจิตธรรมชาติเฉยๆมันไม่ออกหรอกบางทีคนก็คิดเรื่องกาม เขาเรียกว่ากาโมบาทานติดกามอย่าให้มันติดกามก็ไม่ติดพอมันแวบมาเข้ามาในใจทิ้งทันทีเลยกลับมารู้สึกเฉยๆขอให้มันคิดแวบขึ้นมาเฉยๆอย่าเพิ่งมันเป็นกามเป็นทิฐิเป็นอัตตาใช่ไหมรู้มันคิดปุ๊บตัดทิ้งทันทีคิดปุ๊บตัดทิ้งทันทีแต่บางคนตัดบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าเหมือนมีดมันมีคมแล้วพอไปตัดแล้วมันไม่ขาดแล้วเจ็บมือนะเหมือนกันนะสติไปตัดแล้วมันไม่ขาดแล้วมันจะมึนหัวถ้ามันมึนหัวนี่กลับมารู้สึกตัวเฉยๆ อย่าเข้าไปในความคิดอันนั้นกลับมารู้สึกเฉยๆเลยลึกรู้โอ้มันคิดแล้วก็รู้มันคิดนะปล่อยไปมันตัดยังไม่ขาดอย่าไปคุมตัดมันมารู้สึกตัวเฉยๆเลยลึกรู้เตรียมรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวอยู่ปัจจุบันเหมือนรับมีดเนี่ยรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีวันหนึ่งหรอกมันปับขึ้นมาแล้วตัดมันจะขาดชั่วลงไม่ได้เลยนะให้มันตื่นตัวนะบางคนตื่นมาอยู่ที่บ้านมันไม่สดชื่นก็จะกินน้ําร้อนนี่นะ ชงกาแฟนะะแก้ง่วงด้วยกาแฟแก้งัวเลยนะนี่ไม่ต้องแก่อะไรหลวงตาเขาจะไม่กินเหมือนกันแหละนะหรือจะกินเนาะเอาไหมยะยมพายะยมกินตอนเช้าให้ยมพันไปเอาฟ้าะลายโจรมาแจกน้าร้อนตอนเช้านะแจกคนละถ้วยละถ้วยฟ้าธลายโจรแต่กินมันก็จะหวานๆนี่แหลมันชอบใช่ไหม ต้องกินสิ่งที่มันชอบเ อ, บองนะว่าไม่กินของที่มันไม่ชอบนะอุปทานมันมีอ่ะอุปทานในรูปในรสในกลิ่นในเสียงบางทีมีนะนี่อย่าโยมอ่ะเอากาฟแฟนชนิดผงเน่ะซ่อนไว้ในรถก็มีนะนี่มันจะไปเปิดรอดที่นี่มันไปกอกซอง ก, อ ก, ก, อก็ในสะ่อ้าวันนี้กูพออยู่ได้แล้ ว, ลวเว้ยประมาณนั้นแหะอย่าให้มันมีลวดลายเขาจะไม่กิเลสเย่ยเปิดช่องให้มันเกิดขึ้นบางคนมีนะ เอากอกเป็นซองเป็นผงขอจาได้กินน่ะมันทรมานมากเหมือนหลายๆคนปฏิบัติทำติดบุหรี่ไปสูบในห้องน้ําก็เอาดูดกินอะไรก็ไม่รู้นี่โอ้ยอยู่ข้างนอกก็แทบตายเลยทุกทรมานทำร้ายตัวเองะเข้าไปอยู่ในห้องน้ําสูบบุหรี่เม้นจะตายไปนะยห้ทุกข์มันแปดเปื้อนไปนั้นหลวงตานีนตั้งแต่เกิดมานะไม่เคยสูบบุหรี่เลยในชีวิตเนี่ย กินเหล้าก็ไม่เคยเนี่ยเคยไปดูดหายเป่าเขาก็มีเนี่ยสมัยเด็กๆบุรีนี่ไม่ได้เลยแค่เห็นคนสูบผ่านทางนี่เมาแทบตายละแล้วก็ติดกลิ่นหอมไม่ได้กลิ่นหอมหอมเครื่องสำอางสบู่คนนียอยู่ใกล้โยมเดินไปใกล้ๆจะไปคุยกับโยมผู้หญิงตัว อ, อยู่หา่างๆเพราะมันอตาตมาเป็นลูกโมแพ้แพ้กลิ่นกินอะไรแรงๆนี่ไม่ได้เลยะ ดังบางทีไปสอบอารมณ์คนเข้าไปใกล้ถ้ามีกลิ่นมากๆสู้ไม่ไหวนะคุยด้วยไม่ได้ได้เดินหนีไปไม่ไวถ้างั้นก็ทั้งจามทั้งน้ำหูน้ำตาอางทีมันสู้ไม่ได้ไม่มันมีอ่ะให้มันเหลือแต่ตัวนะมีเตกินหนังกินหนังนี่ก็ยังมีเหม็นเนี่ยบางทีนี่บางคนนะมันเหม็นมันขิวมันวนนนี้เราก็ต้องหานนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนันนนนนนนนนนนนนน แล้วก็นอนได้ไม่เป็นไรไม่ต้องทาแป้งทาโนอนทานี้ไม่ต้องมีเนี่ยอันชิดชิดชิดใส่ไม่ต้องเอามาอันนี้เห็นหลายคนมันมีอ่ะขึ้นไปในรถดิลต้าขึ้นไปนั่งในรถพอนั่งปุ๊บโอ๊ยนั่งไม่ได้หรือโยมให้โยดโยมดีกว่ามันราคาแพงบอกเขาดิลต้าลืมนั่นลืมที่จริงดิลตาสู้น้ำหอมในรถเขาไม่ได้เดินเอาดีกว่าว่าวันนี้ต่ายปุดีไปไกลก็ได้เดินเดินเพื่อขอขึ้นคันใหม่ถ้าจะไปนะเพราะมันสู้กลิ่นไม่ได้นะ เครื่องประดับตบแต่งเครื like. ่องน้าหงบางคนก็มีถุงนะถุงใส่อันนั้นอันนี้ถุงกระบู้ถุงอะไรพวกนี้ยหลายอย่างแท็กซี่ในกรุงเทพมันใส่ใบเตยค่อยยังชั่วหน่อยทิ้งเอาไว้ก็กินแบบนึงแต่บางคนมีกินอะไรกินอันฟ้าเจ็ตกินอะไเนี่ยพอขึ้นไปพวก็ฉีดไม่ทำอะไรน้องวะนี่ไม่ใช่ลังเกียดหรอกโยไม่ต้องไม่ไม่ต้องฉีดไม่ต้องฉีดมาเจิมเองว่ะ จืดอ่าน <S <S <en youtubers> มนกระาษหน่อแล้วก็เป่าไปเอ้าไม่มีปัญหาแล้วว่ะกี่ได้บางคนเหม็นเหม็นเลยเหม็นรองเท้ามันรองเท้าผู้หญิงในในคันรถในรถนั้นมีอยู่สี่ห้าคู่หนูนะพอมาลมก็สวมคู่นั้นคู่นี้มันไม่รู้ว่าเหม็นรองเท้ามันก็บีบใส่แต่น้ําหอมอยู่นั่นแหละน้ําหอมฉีดใส่อยู่นั้นอย่าให้มันมีไม่ใมัมีอะไรเลยว่างๆเชยๆอยากให้มันมีอุปทาน รถบังคันเนี่ยมีเสื้อเนาะเสื้อเขาห้อยไว้เป็นชุดเป็นชุดไปชุดนะนะมันเหมือนห้องแต่งตัวมัน่ะในนั้นนะกลิ่นมันก็เป็นอยู่ไม่ต้องให้มันมีนะไม่ต้องให้มีทำบันไดนี่แหละแต่โยมมาปฏิบัติธรรมก็สระผมบ้างนะสระผมมางสองสาวันก็สระครั้งหนึ่งนะไม่มีผงสระก็ใช้อะไรแหละแปรงปุ้นจิ้นใช้อะไรก็ใส่เข้าไป มันสะอาดอยู่หรอกหลูงตาก็ใช้ผงซักฟอกเหมือนกัน่ะสะหัวนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรคนก็ยังกราบเหมือนเดิมโยมเนี่ยใช้ของราคาแพงนะสะหัวนี่นก็เท่านั้นแหละผมขนเล็บฟันหนังในช่วยอะไรได้ไม่ช่วยอะไรได้หรอกเอามาอวดกันเท่านั้นเองเราไม่มีความจําเป็นนะนี่เอาสร้างจิตวิดีๆืริ่มตากว้างๆมองไกลๆ เสื้อผ้าก็เอาเท่าที่เป็นอย่ามาอวดกันวันหนึ่งยี่ห้อนี่วันนี้ยี่ห้อนี่ไม่ต้องมีอะไรนะเขาจึงให้ขาวล้วนคนปฏิบัติธรรมเนี่ยจะใส่เสื้อคลุมบางนิดนิดหน่อยก็พอได้พระนี่ชุดเดิมชุดเดิมไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยแต่งงานก็ชุดนี้ขึ้นบันไดก็ชุดนี้มาสอนธรรมะก็ชุดนี้มีนําซ้ําจะพาชุดที่ไม่ได้ซักนี่แหละไปบินบาทมาเลี้ยงโยมก็ชุดนี้แหละนี่วันนี้ไปบินถบาทนะ บินตบาดกับชาวลำพูนไม่รู้จะเป็นยังไงกิดทาเป็นตามหน้าที่นะไม่ได้หวังถ้าด่าไปในใจว่าพวกนี้บาปยังไม่รู้จักพระบินตาบาดเป็นทุกข์นะเดินไปนี่รู้สึกไปเฉยเฉยรู้สึกกับท้าที่เท้าไปทํากรรมฐานเป้าหมายคือนิพพานเดินบินตาบาดเนี่ยคือวัดดูว่าไปกับในสติมาอยู่กับปัจจุบันไหมไปเจอนั่นเจอนี่ติดอารมณ์มาไหมอ้าวไปเห็นสาวสวยๆบ้านเมืองเราหนังมันดีๆดอกมะเขือเทศประดแต่งนี่ก็ทุกข์แล้วนี่นะ ะไปเจอเขาด่าย์เนี่ยเป็นทุกข์แล้วนะทุกข์ไม่ต้องไปยุ่งนะจิตให้มันสงบนิ่งไม่มีอะไรเดินไปไม่ต้องไปดูนั่นดูนี่ไม่ใช่ดูน่ะดูหลังมีคนใส่มไม่ต้องไปยุ่งมันลรยตาเดินไปบินสบายไปบินวาากรุงเทพลืมดูเดินไปเรื่อยๆตรงไหนที่มีคนเดินไปเดินไปเดินมาไม่รู้มันขึ้นทางด่วนไม่เห็นนะพอลืมตาขึ้นไปตั้งไกลแล้วเขาถามท่านไปไหนน่ะ เอ้าก็มาบินธบัลลังนั่นมันทางด่วนนะเขาไมะมันได้ไปแล้วเนี่ยนะโอ้ไม่เป็นไรวะไปเป็นไรแล้วไม่ได้เข้าวนะเขาว่าเนี่ยเราไม่เคยไปกรุงเทพไม่รู้ทางด่วนมันเป็นยังไงเขาว่ามันเป็นลงบางนานนะเคยังบินธบาดไปเรื่อยนะไปสององค์อู้บาลไปเรื่อยจทั่งรถแท็กซี่มันวิ่งผ่านไปไกลนะวะ ท่านไปไหนเนี่ยเอ้ามึงไม่เห็นแล้วบินบาทเดียว่ามีบาทเดียแต่ไม่ได้ข้าวนะมองมันโอ้สูงมากมองลงมาเนี่ยไปทั้งไกลทั้งสูงมากไปอีกหน่อยเขาเก็บเงินค่าผ่านทางนะมันว่านะเอ้ยตายมีการเก็บเงินด้วยหรือว่าบินเดียบาทก็เลยถามกันไดเอาเงินมาไม่ได้เอามาบ่ตายไดนี่ไปเขาเก็บเงินําไงเป็นพระโง่สมัยก่อนเป็นพระโง่โง่ไม่รู้เรื่องจริงๆรินะหมอเขานี่มลไปไปเทศ พอเทศเสร็จตอนเช้าก็ต้องไปหาบิณธบัตตามภาษาพระเนาะบิณธบาตซะน้อยแต่ไม่ได้ไปหาอะไรนะไม่ได้ไปหาเงินหาทองไปบินธบาตก็ไม่เอาเยอะหรอกเขาใส่พอแล้วก็คือกะอิ่มแล้วก็กลับแต่บางคนก็อย่าพึ่งไปท่านอะไรประมาณนั้นขอใส่น้อยมือบิณธบาตเอาพอฉันแล้วก็กลับเท่านั้นเองนะแต่บางแห่งบินธบัตเอาปลากระป๋องเอาหม่ามาเอาโรนีิมาเอาขายมาแจกลูกแจกหลาน อันนี้ไม่ได้ใช่แบบนั้นบินฑบาดศักดิ์แต่ว่าแต่วันนี้อาจจะเอาเยอะอยู่ น, นี่ถ้ามันมีนะเอามาเลี้ยงโยมนี่แหละมาเลี้ยงคนลําพูนนี่แต่ก็พยายามลืมตาขึ้นหน่อยให้มันเหมาะสมกับเพื่อพระจะไปหาข้าวมาเลี้ยงหน่อยโอ้ยดูที่ยากลําบากขนาดไหนนี่ไม่ใช่มาให้เธอเลี้ยงนะเนี่ยมาที่จะไม่ให้เป็นภาระใครเลยนะเนี่ยโยมพันธ์ก็ให้เลี้ยงพวกเราเองเนะแต่ แต่ก็ไม่น่าจะพอนะเลี้ยงเนี่ยต้องพระต้องบิณตบาดเลี้ยงะอาศัายบา ร, รมีพระพุทธเจ้าเดินไปบินตบาตกลับมาอ้าวไ้คนแทบตายนะไปนี่ย้อมจะมานั่งหลับอยู่มันไม่น่าอยากไ ป, ไป ม, มาเลี้ยงเท่าไหร่ด้พระไปบินตบาดมาเลี้ยงแต่โยมก็หลับเอาหลับเอาอยู่ในนี้มันก็โอ๊ยไม่รู้จะมาเลี้ยงอะลูกมันไม่โตเป็นสักทีเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงลูกสิทธ์นี่ลูกสิทธ์สิทธิมาจากคาว่าสิทขาคือว่าสอนน่ะ สิทธิ์ลูกที่เกิดจากการสอนเราสอนเราวันนี้สอนแล้วมันเกิดปัญญารู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าลูกสิทธิ์นะมันเกิดจากการสอนแต่ถ้าสอนเท่าไหร่หกเจ็ดวันยังไม่เกิดปัญญาอยู่เนี่ยยังให้ที่หนักอกหนักใจอยู่พระบุญญาว่าให้ฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งก็คือไม่บอกไม่สอนไล่นี้ยฆ่าก็คือไม่ให้บรรลุธรรมไม่ให้เห็นธรรมไม่ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาไปอยู่กับกิเลสมันซะ คือให้ไปอยู่กับกีเดทที่บ้านนั่นแหละไปนอนกอดกิเดทอยู่โน่นหน่อจมอยู่โน่นหน่ะบางคนคิดแล้วนะนนี่ว่ากูกลับไปกูจะนอนแม่มันเสอ็จเอามันสะใจไปเลยประมาณนั้นได้ได้กลับไปซะก่อนเดี๋ยวธรรมะมันจัดสรรนี่หรอกแต่ตอนนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องอายเป็นบ้างนลุงตาเห็นโยมพันหลอกไปปฏิบัติธรรมอยงลุงตาแกไม่เคยหลับสักทีเดินอยู่กู หลงตว่ามันคงมีเผ่าพันธ์ทางนู้นทางลําบุนคงมีคนไม่หลับหลือเปล่าคงเป็นกันหมดแลใว่ไหมพอมาดูอ้าวลับงงๆเหมือนกันกับทางสกลนครเนี่ยหลับเหมือนกันนะฝืนหน่อยมีคนจริงสักคนหน่อยในนี้อดทนต่อสู้มันไม่ยากหรอกถ้ามันยากนี่ไม่สอนนะเพราะมันต้องเป็นแหละไม่ใช่ทรมานกันนะเนี่ยนี่นะไม่ใช่ทรมานนะคือมาให้มันฝึกมันฝืนนั่นแหละ ฝึกสติแล้วมันจะรู้ความลับความลับอันนี้เหมือนเหมือนเขาจะเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์น่ะมันมีรหัสของมันว่าจะเข้าตัวนี้ใส่พาสเวิร์ดอะไรนี้เขาว่ามันก็มีอ่ะอ้าใส่ปุ๊บเข้าไปคลิกหน่อยเดียวมันออกขึ้นมาทนดีเลยเนี่ยชีวิตนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่อยากให้มันเป็นทุกข์จมอยกคดีในอนาคตเนี่ยเราคลิกด้วยสตินี่แหละเอาสตินี่เลยลึกรู้เนี่ยยกมือสร้างจะบ่าเหมือนเมาส์มันประคองเดี๋ยวนี้เขามีรูปเอาก็มีนะเนาะใช่ไหม เมือลูบๆคำๆเมาส์มันน่ะนะดวงตาเห็นเขาทําหรอกทําไม่เป็นเนี่คอมพิวเตอร์เนี่ยทาไม่เป็นได้แต่ถอดปลั๊กกับเสียบเท่านั้นแหละเข้ารหัสล้รหัสนี้ไม่เป็นเลยโยมเขาไปทําอินเทอร์เน็ตให้ของวัดนะเว็บไซต์เขาว่าหลวงตาทําเป็นโอ้ไม่เป็นเลยทําไม่เป็นพิมพ์ก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นแต่สั่งได้สั่งบอกคนอื่นได้แต่เปิดไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังทําไม่เป็นอยู่ คอมพิวเตอร์สี่เครื่อง5้าเครื่องเขาไปถวายที่วัดตายมดมันหลายปีฝุ่นเขาไม่มีใครทำทำไม่เป็นมื่อพิมพ์หนังสือก็ใช้โยมเขาทำได้อยู่ตัวเองทำไม่ได้เขียนนะพอได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเราจะเข้าเนี่ยเ็าต้องระลึกรู้นะเข้าตรงที่รหัสดูกายก็ดูให้มันชัดชัดเจน พอกายดูไปดูมามันก็เจ็บก็ปวดมันเมื่อยก็เปลี่ยนขาสลับไปสลับมาะเดินหน้าถอยหลังอะไรต่างเี่คุกเข่าบ้างผ้าเพียบซ้ายบ้างผ้าเพียบขวาบ้างนั่งขัดสมาธิบ้างแต่ว่าสติอย่าให้หลุดตัวรู้อันเนี้ยอย่าให้หายให้มันต่อเนื่องไอ้ตัวรู้อันเนี้ยทีนี้ดูมากเข้ามาเข้าแล้วมันจะเริ่มเห็นหรอกว่าที่มันเจ็บมันปวดเนี่ยมันจะเริ่มแยกถ้ามันไม่มาคิดร่วมเนี่ยมันก็จะไม่ปวดมันไม่มาปรุงแต่งเนี่ย มันเมื่อยหรือมันหิวถ้าจิตมันไม่คิดมันก็ไม่เป็นขึ้นมาปวดมันก็จะปวดปวดน้อยน้อยมันเป็นธรรมชาติของมันน้อยเองจิตมันไม่ร่วมด้วยมันจะเริ่มแยกกายเวทนาจิตถมออกเห็นกายตามความเป็นจริงแต่จิตมันไม่ได้คิดเพิ่มง่วงตัวง่วงก็เหลือน้อยแต่ส่วนมากตัวอยากเนี่ยมันผสมโลงเนี่ยตัวง่วงไม่ได้เยอะอยาให้มันมาง่วงร่วม ฝึกฝืนโยมนะพระเขาชอบหลับตอนเช้ามก็หลับตอนเช้าก็หลับเอาไปมาเลยเกิดละทิหลับคือตาขึ้นมาเนี่ยแต่โยมดูซินน่พระพุทธรูปนี่หลับไหมหลับไหมไม่หลับหรอกท่านมองต่ำๆนะยิ้มน้อยๆนะเนีย่ยพระพุทธเจ้ายิ้มน้อยๆยิ้มเหมือนโมนาลิซ่านะ เห็นมหมยิ้มประมาณนั่นแหล ะ, ะ, หละควา ม, วามยิ้มยิ้มเ น, น้อยของโมนาลิซ า, ซาที่เขามาเขียนเป็นหนังนะ่ะ กินก็ไม่กินเยอะนะถ้ากินเยอะนะี่ยมันจะง่วงกินเยอะแล้วอยากกินอะไรก็ฝืนเอาอดทนเอาพยายามกินน้อยทีเนี้ยนอนน้อยปฏิบัติและลึกรู้ให้มากมากนะตอนเชาา้านี่พระพุทธเจ้าบรรลุอรหันต์ก็ตอนเช้านี่แหละตัดสู้ตอนเช้านี่แหละตอนเช้ามันจะทวนกระแสเยอะช่วงไหนที่มีเกิดการต่อสู้กันเนี่ยมันจะเกิดบุรุษขึ้นมา เกิดผู้กล้าขึ้นมาสติถ้ามันต่อสู้กับความอยากเรามากๆเนี่ยมันจะเกิดการรู้แจ้งสิ่งที่เราติดนะแล้วตัดไม่หลุดหนึ่งกามกามเนี่ยมันไม่หลุดสองกินกินแล้วกินอีกไม่เบื่อเบื่อไม่เป็นสามม่วงนอนไอ้ม่วงนอนนอนแล้วนอนอีกใครบอกว่านอนพอแล้วตั้งแต่เกิดมานี่ยอย่างมันยังจะเอาอีกอยู่นะ นี่ยเรามาสู้กับสิ่งที่เราชอบที่สุดในชีวิตแล้วอันที่สี่คือคิดคิดเนี่ยมันก็ไม่พอคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอยู่แล้วนะสามสี่ห้าตัวนี่คือปัญหานะปัญหาชีวิตถ้าเราถอนตัวเองออกจากความพอใจไม่พอใจกับสามสี่อันเนี่ยถ้าง่วงนอนแล้วมีคนมาไม่ให้นอนเนี่ยมันจะงุนหงุดหงิดกามเคย เสพเคยกินเคยดื่มมันมีความใคล่ความอยากในผัสสะเนี่ยพอไม่ให้มันมีมันจะอึดอัดมันจะไม่พอใจท่านเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่เข้าไปเนีมันเราจะเฉยเฉยดูมันเฉยเฉยเนี่ยอาโยมสายเบี้ยตานี่ลืมตาลืมตาเออนั่นแหละมองไกลไกลไม่นึกว่าปฏิบัติธรรมจะทุกปานนี้เนาะมองไกลไก ถ้ามวยเก่ากนะง่ายมวยเก่าคือเขารู้แล้ว<อ>คือผ่านเจ็ดวันไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้จากทันทีว่าความลับของความง่วงมันอยู่ตรงไหนนะปฏิเวศหรือความเกิดความดับของความง่วงเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดยังไงดับไงเพราะเขารู้ความลับนั้นเขาไม่กลัวหรอกถ้าพวกเธอนะ่ปฏิบัติได้วันสองวันเนี่ยไม่มีทางอะที่มันจะคิดจะมาอีกเนี่ยใช่ไหมกูหลงมาแล้วทาไงได้ มันได้คิดอย่างนั้นคิดผิดหรือเปล่าวะเนี่ยอยู่นั่นแหละแต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วเขามาอีกมาอีกเพราะเขาทำเป็นแล้วไงเขารู้ความลับของความง่วงแล้วเขาออกได้แล้วเนี่ยเขาไม่กลัวมันไม่ใช่ของง่ายนะมาปฏิบัติธรรมน่ะคือต่อสู้กับกิเลสตัวเองเนี่ยดงนั้นมันต้องมีปัญญาเห็นอะไรสักอย่างน่ะเขาถึงกล้าเสี่ยงกล้าศึกษากล้าดูเนี่ยเพราะไม่ใช่มาแล้วมันจะได้ลาบยศสารเสริญไม่มีอันนี้ไม่มีให้พระ เกจิฉีดชาร์อะไรเข้าไปไมนได้มีบางคนวิ่งตามเกจิอาจารย์เห็นอาจารย์นั้นดังเฮไปที่นั่นเฮไปที่นี่ขี่รถตามก้นท่านไปเรื่อยเรื่อยที่นี่ไม่มียิ่งคนไหนตามก้นหลงตาไปเรื่อยคนนั้นก็ต้องรีบได้ปฏิบัติมากมันจะต้องสดใสนะคือต้องฝึกได้ไม่ใช่เราไปอาศัยบุญบารมีท่านไม่ใช่บารมีอยู่ในจิตโยมนั่นแหละเพียงแต่ว่าพระนี่ฝึกมาแล้วบอก ไปบอกบอกญาติบอกโยมพระเป็นคนบอกญาติโยมโยมก็ต้องเห็นตัวเองชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นโลกุตระทาง้นโลกเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงผลเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงดูอาการนั้นให้เห็นแต่มันก็ต้องรู้จริงนะอย่างสอนไม่ให้ง่วงต้องไม่ง่วงเป็นะสอนไม่ให้เบื่อต้องไม่เบื่อเป็นะวันวันหนึ่ง ความรู้สึกความนึกความคิดที่มันเกิดขึ้นมากแต่โยมไม่ต้องไปนับแล้วไม่ต้องไปดูความคิดอันนั้นรู้สึกตัวเฉยๆแล้วมันจะดับไปเองความคิดเนี่ยมันเกิดแล้วมันตั้งอยู่นานเพราะอะไรเพราะเราไปคิดเพิ่มถ้าเราเฉยกับความคิดความคิดจะดับเพราะความคิดมันเป็นอนิจจงมันไม่เที่ยงอยู่แล้วฟังดีๆนะความคิดมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนมันคิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับ แต่ส่วนมากเพราะเราหลงไปเพิ่มคิดเพิ่มอันนี้แหละมาเราจะมาออกจากโมหะแล้วเนี่ยออกจากความหลงไม่เข้าไปในความคิดเนี่ยพอเราไปคิดเพิ่มมันก็ยาวคิดเพิ่มก็ยาวแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันพอเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์เนาะทุกข์ขังคือถ้าเราออกไม่ได้มันจะขังเราอะขังเราให้เป็นทุกข์อยู่ในความคิดออกไม่ได้ทุกข์ขังล่ะทีนี้พอสติมันมีปุ๊บมันก็จะเป็นอันนี้จัง อันนีจังคือมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเกิดมันจะสลายไปได้เกิดได้ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะฮะบางทีทีแรกคิดยาวสองชั่วโมงจึงดับต่อมาก็บสามขยับมากับเออชั่วโมงหนึ่งบางทีก็ห้านาทีก็ตัดได้มันแวบขึ้นมากรทิ้งได้ทิ้งได้มันจะเริ่มเป็นอันนี้จังสั้นเข้าสั้นเขานะต่อมาพอมาคิดปุ๊บรู้ทันปุ๊บมันสว่างแจ้งมาเป็นอนัตตาเลยอนัตตาคือไม่มีเลยว่างเฉยเลยน่ะ ใจไม่จะสดใสตื่นขึ้นมาโอ้ยทำไมมันสว่างน<า>ี้นะทำไมมันแจ่บแจ้งอันนี้นะท่านต้องการให้รู้จักอ น, นิจจังทุกขังนาตาแต่ไม่ใช่อ น, นิจจังที่ห้ยขามันก็ไม่เป็นอ น, นิจจังหรอกมันเป็นนาตา ม, มันไม่มีแต่มันก็เจ็บนะอันนี้อนิจจังทุกขังนาตาไม่ใช่มาดูที่กายแต่ดูที่จิตเข้าใจไหมให้รู้ให้เห็นสภาวะที่อยู่ภายในเนี่ยแต่ถ้าตื่นขึ้นมา มานั่งมานอนอย่างเงี้ยง่วงอยู่ใช่หมอันนี้จังไม่เกิดนะยังคิดยังฟงซ่านอยู่ยังปรุงแต่งอยู่อนัตตาไม่ปรากฏอันนี้ทนต้องให้เห็นความเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรคือไม่มีทุกันเองน่ะแต่ถ้ายังเป็นทุกอยู่ยังไม่เป็นอนัตตาพอเข้าใจเนาะอันนี้จังทุกขังอนัตตาให้มันเห็นชัดชัด ให้เห็นอนิจจังทุกขังนันตาในรูปในนามนยในรูปอันนี้ก็ปล่อยวางรูปได้ในนามในความคิดในความปรุงแต่งในความบิดเัี้ยวขัดขึ้นก็ปล่อยวางได้ดืมตาดีลูกศิษย์อาจารย์อ้อนี่มันจะง่วงแล้วได้อีนางันี่ดืมตามองไกลไกลหายใจยาวๆมองมาทางนี้นี่ถ้าใครไม่อยากง่วงต้องอยู่ใกล้ๆพระนี่เหมือนแถวหน้านี่ พอปลอดภัยหน่อยถ้าอยู่แถวหลังแอันตรายง่วงกิเลสเอาไปแดกหมดแหละเติมตากว้างๆโย ม, มอา้าวพนันกันดูดิพระไปบินบาตรวันนี้จะหมานมงไหมจะได้ข้าวไหมเอา้เอาแทนที่จะคิดธรรมะธรรมโอชนดเน่ยวาคิดได้เรื่องไรสาระดูดิมันจะเป็นยังไงเนี่ยลงขันกันลองดูดิ คิดว่าได้หรือไม่ได้เอาลืมตากว้างๆมองไกลๆนะลนท่านนึกว่าจะไม่หนาวนะที่ลำพูนนี่พอตอนเช้าก็หนาวอยู่บ้างนะแต่สสายคงๆคงร้อนโยมดูที่พระเนี่ยเสื้อก็ไม่มีแขนหนึ่งเพราะพุทธเจ้าเนี่ยก็ช่างทำ ไม่รู้บัญญัติทำไมไอที่ไม่ให้นุ่งเขียนหนึ่งนี่นะลงตาก็ไม่เอาแล้วมันหนาวเอาผ้ามาหม่มวไม่เอาเด็พระบุทธเจ้าสอนก็ไม่เอาข้อนี้ไม่เอาว่าหนาวนี้มนุษย์เ น, น, นาะนาแต่ก็ไม่โทษท่านหรอกอยู่อินเดียยิ่งหนาวกว่านี้หนาวกนนาวนะ่าน้ ช่างทำนะไอ้พวกนี้มันจะได้รับการเคารพยกย่องคนอื่นมันจงไม่มีผมโว้ยตายพะดีผมก็ไม่ให้มีแขนก็ให้เหลือข้างเดียวนี่สายเดียวคิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะทุกจริงความทุกข์มันอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจแต่ท่านก็ให้ทำแบบนี้ให้เผื่อทรมานนี่อันเดอร์แว์ก็ไม่มีนะ เขาให้มีนะธรรมดาอย่เนี่ยผมขนคิ้วพเนี่ยเขาไม่มีเลยธรรมดาเนี่ยแต่ก็ทนได้นะทนได้คือสิ่งไหนที่มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้มันสวยมันงามเกิดรูปเกิดทรงขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ให้มีให้ไม่ให้มีอะไรเลยเพื่อไม่ให้เกิดความรักความชังขึ้นมาในใจเนี่ยให้มันสบายสวดทรงไม่ได้ใส่ชุดนั้นชุดนี้ ใส่ชุดเลยชุดยอมน้ําฝาดธรรมดาเนี่ยไม่ต้องตกต้องแต่งโยมมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ห่างจากพระมันต่างกันนะให้มันนุ่งชุดขาวคือมันขาวสะอาดทั้งกายทั้งใจอะไรประมาณนั้นคนเราเหมือนกันหมดนะโยมเหมือนกันหมดทุกทุกเหมือนกันพระก็ทุกเหมือนกันง่วงง่วงเหมือนกัน เบือบ่อเือเหมือนกันพี่แต่ว่าพระนี่ฝึกมาก่อนนะฝึกมาก่อนรู้รู้ว่ามันง่วงเกิดยังไงมันดับยังไงอ่กะก็เลยไม่ง่วงไม่ไม่เบื่อไม่นายเห็นมั น, มนเห็นทุกข์ไงไเป็นผู้รู้รู้เฉยเฉยเนี่ยรู้ทุกข์เฉยเฉยในหนังสือมีแต่คาถาท่านคาถานี่หนังสือธรรมวัดวัดนั้นวัดนี่นจริงจริงไม่ช่วยอะไรเลยนะมันไม่ช่วยอะไรเลยอะมันอยู่ที่เราเนี่ย อยู่ที่สตินี่แหละอ้าวลืมตากว้างๆนะยมสอนลูกตอนนี้หลับนะลูกนะนี่ไม่ได้นะตื่นนะลูกนะนี่ๆต้องให้ตื่นตื่นมาพบพระอันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสหายใจลึกๆ ถ้ามันง่วงก็นั่งค้กเขา่านั่งแบบนี้ก็ได้เพียบเพียบับไปพับมาอะไรปรมานั้นหรือตังต้งตัวแบบนี้สร้างจังหวะแบบนี้ทำได้แต่อย่ายืนเท่านั้นเองมันไม่เหมาะสมพีกไปพี่มาเดี๋ยวมันตื่นได้เลยาให้มันอยาให้มันเป็นคล้ายๆว่าอยาให้มันสร้างรังอยางมันออกรากกิเลสเนี่ยอยาให้มันแตกงอกแตกอะไรแตกเร่าแตกกอรู้สึกตัวตลอดเว็า พระเราเนี่ยโกนผมมาบวชมาฝึกมาหัดเนี่ยบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าเข้าถึงธรรมแล้วนะแต่เป็นว่าถ้าให้บวชกิเลสมันชอบพาไปนู่นไปนี่ชอบคิดนั่นนี่เอาตัดมันออกซักตัดกิเลสข้างนอกออกมันจะช่วยได้ไงช่วยไม่ให้ไหลไปทำกระแสได้ ถ้างั้นก็จะชอบไปเที่ยวโน่นนุ่งชุดนั้นชุดนี้เขาก็เลยตัดจิตตัดใจเอา้าลองฝึกมันจริงๆสิเหมือนนักเรียนเนี่ยถ้าสวมชุดนักเรียนเขามันก็ไม่ไปโน่นไปนี่อันนี้ก็เหมือนกันสวมชุดพระซะเนี่ยสวมชุดขาวซะอะไรประมาณเนี่ยมันก็จะช่วยได้จิตมันก็จะตื่นนะคือทําจริงๆจํากัดขอบเขตเหมือนนักมวยเงี้ยนักมวยที่ขึ้นไปในเวทีเนะี่ย เขาไปช ก, ชกเขาจะทําเชือกล้อมไว้ในเวทีให้ตีในบริเวณนั้นชกในบริเวณนั้นชนะแพ้อยู่ในนั้นเหมือนกันนะ่ะคนเก่งเก่งเนี่ยมาชกกั บ, บ, บกีเด็จชกในเวทีนี้สร้างจังหวะเดินจุงกลมเนี่ยนะสู้กับมันตรงตรงที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมาข้างนอกนะแต่คนที่มีเงื่อนไขอ้าจะไปนั่นเดี๋ยวจะไปนี่โอ้ยกีเด็จมันวางแผนไว้หมดแล้วอันนี้ ปฏิบัติสักวันหนึ่งหรอกสองวันหรอะอันนั้นคิดหมดแล้วอเดินจุกมนี่ก็จะไม่ได้อะไรได้แต่ความคิดนั่นแหละอยู่กับความคิดตลอดที่จะไปทํามนาโนนันนี่นะจมอยู่ในกิเลสนั่นนั้นมันอยู่ที่ที่สติสัมปชัญญะเนี่ยต้องทําให้มันต่อเนื่องอยู่เท่าว่ามันสลายได้คุณจะได้อารมณ์เองคําว่าได้อารมณ์คือกายกับใจมันอยู่ด้วยกันเองโดยธรรมชาติด้วยอัตโนมัตินะะเดี๋ยวนี้เรากําลังกําหนดรู้อันนี้กําหนดรู้ให้เห็น กําโนรู้เงี่ยนานเข้านานเข้าเดี๋ยวมันปล่อยวางเองได้หรอแล้วมันรู้สึกตัวโดยธรรมชาติของมันเองนะฮะเราจะรู้จักคาว่านิโรธมันคืออะไรนิโรธคือภาวะที่ทุกข์มันดับมันคืออะไรมักก็คือขยันรู้สึกตัวนี่แหละถ้าโยมขยันรู้สึกตัวนี้เดี๋ยวนิโรธมันเกิดเองนะคือทุกข์เพราะมันคิดใช่ไหมสมุทัยเพราะมันอยากนิโรธก็คือดับความคิดได้ มักคือก็มีสติระลึกรู้เยอะๆเดี๋ยวมันก็ดับวันนั้นได้แต่นี้โรดแปลว่าดับอย่างถาวรนะไม่ใช่ดับทีละน้อยนะอย่างความคิดผมก็ไม่คิดแล้วดิฉันก็ไม่คิดแล้วอะไรอันนี้มันเป็นสมมติเฉยๆเนี่ยเนี่ยมันเป็นภาวะไม่ใช่ประมัดนะเอาตื่นตัวนะขณะนี้หกโมงห้านาทีแล้วตื่นตัวตื่นตัว ดีเนาะพวกลำพูเนี่ยไม่เงยง่วงเท่าไหร่จะมีบ้างนิดๆหน่อยๆคนแก่กับไม่ค่อยง่วงหนุ่มสาวกับง่วงก็แปลกอยู่เพราะเด็กปัจจุบันนี้ฝึกอ่อนแอเด็กเดียวๆฝึกตามใจมากตามใจง่วงเอาเ้านอนเยอะเดี๋ยวนีให้มันตื่นสาย อยู่ที่บ้านมีโยงคนหนึ่งคนตาไปบ้านแล้วถามว่าเอ้าลูกสาวตื่นหรือยังเนี่ยยีนางนั้นมันตื่นหรือยังแม่บอกว่าหลอนตาจะพูดดังไปโอ้ยจะพูดดังไปเป็นอะไรวันนี้มันเสาร์วันที่ใจมันนอนถึงค่าแล้วนะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะมันตื่นขึ้นมามันจะมาขอเงิน ให้มันนอนไปเลยจนค่ำหนึ่งข้าวก็ยังไม่ได้ซื้อให้มันกินสองเงินค่าเติมน้ํามันมอเตอร์ไซค์ไปหาขี่เล่นมันก็จะไม่ใช้นะวันเสาร์วันทิตย์ให้มันนอนจนค่ำอย่คุยดังอย่าพูดดังมันจะได้ยินมันจะตื่นขึ้นมาให้มันนอนเลยเห็นไหมตื่นมาล้สร้างความลำคานในกับพ่อกับแม่เขาก็เลยไม่อยากให้มันตื่นให้มันจมอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยถ้าตื่นมาแล้วได้ประโยชน์ล่ะทุบบ้านทูเรือน ลดน้ำต้นมงต้นไม้ซักเสื้อซักผ้าทํากับข้าวชุวยพ่อช่ใครจะไม่อยากให้ตื่นใช่ไหมแต่ถ้าตื่นมาสร้างปัญหานี่โอ้ยนอนอยู่งั้นแหละดีแล้วนะสังคมในหลายสังคมเขาสอนให้คนโง่ไงนะพอมันตื่นขึ้นมันสร้างปัญหาตื่นมายิ่งโง่กว่าเดิมน่ะแล้ให้มันหลับอยู่งั้นเลยดีกว่าเอาจะไปคุยกันเลยทำหนึ่งแนงไม่ไหว เือจะค่ําลองคิดดูดิโยม ต, ตายยังไม่หกโมงอะไย่างนี้ห้าโมงเย็นนวลหรือ ว, วันนี้จงจะปล่อยกูนะห้าโมงเย็นนวลหรือเนี้ยห้าโมงเย็นแล้วก็จะสามทุ่มอีกนะกูแล้วเพิ่งวันแรกต่างหากเจ็ดวันนะกู <c oughs> หลวมตัว ต, ว ต, วตวได้อย่งไม่รู้อืมแต่ถ้าจะกลับกูบก็จะเสียญาติพี่น้องนะ เสียเงินค่ารถเสียอะไรมาเอ้ยโยมพันแกคงไม่คุยกับกูละครั้งต่อไปเนี่ยมันเขาจะดูถูกกูดูถูกจริงๆรนะดูถูกจริงๆนะๆนะอาตมาก็ไปเห็นอยู่สวรรค์โนอาตมาก็ไม่ทักนะตายไปเนี่ยกูจ <c oughs> ําหน้าได้สมัยกู <c oughs> ไปฝึกที่ลําปูนไม่ได้เรื่องเลยกูว่าวอันนี้หนูมันจะตายเลยนะจะไม่พูดเลยบิณฑบาตก็ปิดคว่มเอาไว้ไม่ใส่ไม่ให้ใส่คนไม่จริงไม่จังเนี่ยมันต้องตื่นตัวต้องจริงต้องจังหน่อยะ ไม่ต้องมีเหตุผลนะตายเป็นตายถ้ากูไม่ตายกิเลสก็ตายถ้ากูตายกิเลสยังกูตายเนี่ยได้อย่าลืมนะเต็นหน้าจะมีอะลุงตาบอกว่าน่าจะหาเต็นเนี่ยว่าจะให้โยมโอนี่เป็นนอนคนเดียวได้ตอนเย็นเด้อออกไปนอนนู่นแหละเอาเต็นไปหานอนข้างนอกพนะที่ไหนก็ได้ที่มันนอนคนเดียวมันจะช่วยได้เยอะนะยิ่งเราเป็นอยู่เจ้าของบ้านอยู่ใกล้อยู่อะไรอย่าไปยุ่งมันน่ะ เอาไปอยู่คนเดียวอย่าง่ายอยู่แบบสบายสบายอสบายคืออยู่ข้างนอกอ่ะมันจะช่วยสติแล้วโตเร็วพือต้นไม้นี่ถ้าไปเพาะตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันอยู่ใกล้แดดใกล้ลมเนี่ยมันโตง่ายมันโตง่ายแต่ถ้าเพาะในแปลงนะยิ่งหวานอยู่รวมกันเยอะๆมันยิ่งไม่โตดูผักกาดดิดูข้าวดิหวานทีแล้วมันไม่ขึ้น ห้องหนึ่งสองสามคนสี่ห้าคนโอ้ยจมพอดีมดสภาพต้องไปเพาะตัวเดียวมันถึงจะได้อ้าวพระเราหลับพอส่งควรแลหันหน้ามาทางโยมที่นี่ นี่แหละได้เปรียบถ้าเป็นพระนี่จะมีช่วงได้หลับนะที่จริงท่านก็ไม่หลับหรอกนะได้ ISO แล้วไม่หลับเอานี้มุนลงไปข้างล่างเด้อลงไปข้างล่างไปพักผ่อนกายาสักหน่อยเจียดแข้งเจียดขาแล้วก็เตรียมบาทเตรียมท่าไปเดี๋ยวไปบินทบาทนะหาข้าวมาเลี้ยงญาติเลี้ยงโยมตามปกติวิสัยนั่นแหละ ทางนี้ผมจะคุมเองสายๆนั่น่มงจะกี่โมงเขาบินทางบาทกี่โมงทางนี้ฮ้ฮกว่าเท่าไหร่กว่าชั่วโมงหนึ่งเลยมันสว่างแล้วก็ไปได้ใช่ไหมมันหมากัดแล้วยุ่งไหนพวกเธอมันอันตรายเด้ หมากัดพระแล้วเป็นเพราะเราได้ไม่ได้สอนเนี่ยเลิกกันไปเลยนะเนี่ยไหนเห็นไหมเนี่ยมันเห่าอันบินถ้บาเด็กค้งออกไปทางถนนนะเขาบอกว่าไปทางโน้นทางไหนคนเขาก็ถามอยู่หรอกบินถ้าบ่าไหมถามโยมพันโยมพัว่าไม่รู้นะบางทีหลวงตากับบินบางทีกับไม่บินอะไรประมาณนั้นคือดูจังหวะก่อนนะ ดูจังหวะก่อนเอาลืมตาดีๆเวลาไปเทศที่โน่นที่นี่คนเขาชอบถามเอาสมุดมาจดท่านเรียนจบอะไรเนี่ยอาชีพอะไรประมาณนั้นจบด็อกเตอร์จบนั่นจบนี่อะไรเขาชอบถามเวลาไปบรรยายนะตัวย่อมันจะได้ตัวย่อเยอะๆเราให้ตัวย่อเข้าไปอะ เราจะอวท้ออะไรก็ว่าไปเลยรักษาการเจ้าอวาดวัดเถื่อนแต่มันไม่รู้เราถามอาชีพลาเป็นยังไงเราก็ให้ตัวย่อเป็นอาชีพอดีดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทําอะอดีตเป็นนักบินโอ้โหเรียนสูงไม่ใช่บินธบาตว่าอาชีพบินธบัตไม่ใช่นักบินแบบบินเครื่องบินเลยนะบินธบัติ แต่มันก็ไม่ประกาศตอนนะาท่านเคยเป็นนักบินมานนะรเราก็ต้องค่อยๆแก้ตัวเอาตรงนั้ น, นบินมือไม่ไมีมประโยชน์กับคนเนี่ยทีนี้เศรษฐกิจปัญหาเยอะโยมเลยปัญหามากมายหลากหลายเพราะอะไรเพราะว่าคนมันเป็นแบบนี้แหละนะเศรษฐกิจของประเทศไ ท, ย, ทยเราเนี่ยมันพึ่งการส่งออก่ย เพื่อการสออกเรามากระตุ้นให้เกิด GDP แต่ถ้าเป็นแบบเศรษฐกิจแบบอินเดียเขาไม่ค่อยยุ่งนะเขาไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเศรษฐกิจเขาผลิตเพื่อเลี้ยงคนในประเทศคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันป้อนโปรแกรมเมอร์อันดับหนึ่งของโลกเลยในอินเดียนะเขาผลิตโปรแกรมเมอร์เนี่ย สูงมากคนเขานะแต่เขาผลิตคนเพื่อตอบสนองการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศเขาข้าวก็เหมือนกันอาหารการกินอะไรนั่งเขาเขาผลิตเพื่อเพื่อประเทศเขานั้นเขาไม่กระทบกระเทือนเรามีปัญหาเรื่องเรื่องเศรษฐกิจตามประเทศมีไอเดียเขาไม่มีนะจีนนี่ยังอันตรายอยู่ไม่เป็นเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ก็ตามพอการเมืองมันไม่นิ่งมันจะเป็นอย่างนี้ทันทีเลย บรรยากาศมันอึมคลุมใครก็ไม่กล้าลงมือไม่กล้าลงทุนเห็นไหมประเทศไทยเราปัญหาแย่แย่มาพธเยอะเนี้ยปัญหาประเทศต่างๆเนี่ยกำลังถอนตัวเองออกไปอ่ะคุณหุนเซนมอมาอยู่ประเทศชันการเมืองนิ่งมากคุมเองได้ประเทศไทยเราเดียวเสื้อขาวเสื้อแดงเสื้อดาเสื้อําเงินเสื้อครามอะไรอยู่ประมาณนั้น วุ่นวายอันนี้พอะไรเพรใจมันไม่ดีไงสติมันไม่มีมันไม่รู้จักอะไรเป็นทุกข์เป็นสุขเลยแต่มิจจะเอาชนะข่าคานขึ้นอยู่เนี่ยวุ่นวายนะสร้างปัญหาอย่างไอ้พวกคิดมากๆแบบนั้นเอามาปฏิบัติทำเนี่ยเนาะจะดีสร้างจังหวะปักปลูกมันตื่นแต่นดึกดึกลุกต่เช้าเนี่ยโดนตาว่าไปประท้วงอยู่เจ็ดวันในนั้นกลับเอามาสร้างจังหวะเดินจุกงเจ็ดวันในอันนี้บรรลุทำนะ ให้เรามาทำจะดีกว่าปัญหามันจะน้อยลงน้อยลงอ่ะอันนี้ยากนะยันโยมก็ยากลำบากบาเงินทองก็ไม่ค่อยออกมาจ<า>นะังเคลอนเงินเดือนก็ไปไหนลูกหลานเราไปทำงานกรุงเทพตอนวนก็ไม่ค่อยมีงานทำโรงงานเขาก็สั่งหยุดสั่งเลิกได้รอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันถดถอยเนะี่ยมันยากลำบากมาก เพราะอะไรเพราะคนมันขาดสติในการบริหารการจัดการชีวิตจิตใจสังคมนั่นแหละดิเนโกรธก็ไม่รู้จักโลภหลงงหยิดอึดัดอะไรอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันดับไม่เป็นนะมันเคยเกิดมากมายปัญหาเนีะหลวงตาได้ยินว่าโยมพันว่าแต่ก่อนในนี้เป็นที่เสียวนานะเจอกับแฟนเขาเนาะคุยกันหลวงตาที่นี่แต่ก่อน เป็นที่เสวนาของพวกผมนะคือของพักการเมืองบางใช่ไหมพอรู้นะนี่ๆใช่ไหมวัวนะเดี๋ยนี้เขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากพระว่านั้นมาเป็นเสวนาธรรมต่อไปเนี่ยคือปฏิบัติธรรมเจริญสตินะมันหายากหายากที่มาแบบสุดๆทางโลกแล้วก็จะมาสุดๆทางธรรมเนี่ยมัญหายาก เดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทำประโยชน์ให้กับสังคมทั้งโลกกว่าทำทั้งทำกว่าทำทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดขึ้นแต่นี่จะทำได้กับคนทุกคนอันนี้อันนั้นเป็นเฉพาะพวกกลุ่มการเมืองแต่นี่เป็นเรื่องของตัวตนของเราเองเนี่ยอ๋อหลับลงไปลืมตาขึ้นลืมตาขึ้น มองไกลๆฝืนไบ่อยๆนะง่วงก็ช่างพอมันนึกได้ตอนไหนรู้สึกตัวทันทีเลยรูนะ้สึกทำเรื่อยๆๆๆๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันสว่างว่าบุคุณมันหายไปแล้วจะกลายเป็นคนใหม่เลยอะ่ะช่วพลิบตาพลิกฝ่ามือเดียวจิตอันนี้นี่ลงตาเดินไปดูในตึกอันนี้นะมีรูปพวก หาเสียงพวกนักการเมืองพวกอะไรอย่นีแต่เนี่ยเขามาเมาอยู่แถวนี้นะคิดว่านะมาสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยนะทีนี้แล้วเขมาทําบางทีไม่แน่นะเราทําไปทํามาเนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาเขาก็อาจจะมาทํากับเราก็ได้นะถ้าเขาได้สติขึ้นมาในี่ยฮู้มีสตินะลดตาทํากับพวกเอ่อ ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติกับกลุ่มกับคนน้นคนนี้พวกด็อกเตอร์พกศาสตราจารย์เขาไปฝึกที่วัดบ่าสมณัรหลายคนนะสติเขาไปตั้งกลุ่มธรรมะกลุ่มอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาปฏิบัติธรรมกันเยอะพวกนักการเมืองะพวกผู้ช่วยรัฐมนตรีพวกอะไรอย่างนี้นะส่วนมากพวกรัฐมนตรีก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะพวกนายทุนเนี่ะ ใครเป็นถุงเงินคนนั้นก็จะได้เป็นตำแหน่งแต่เป็นผู้ช่วยนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นนักวิชาการด้วยพวกที่มีความรู้เยอะๆเนี่ยฮั้นเขาก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าไปบริหารประเทศตํานวจตัวนี้คือคนเรามันถ้ามารู้จากตัวเองมันจริงๆชีวิตมันไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่หาอะไรมากมายหรอกที่มันหาเพราะแล้วเพราะมันมันยังไม่รู้ตัวเองพอเหมือนพระเนี่ยเวลาเข้าใจชีวิตตัวเองมาทําเพื่อคนอื่นมีไม่บริษัทไหนทาหนักงานหนักเหมือนพระเอา พุทธบริษัทเนี่ยทำหนักนะทำตั้งแต่ตีสามตีสองพระลุกแล้วอยู่นอนตีสองครึ่งเนี่ยลุกแล้วมาสอนมาอบรมแล้วตีสามกลางวันก็ไปนอนทำถึงไหนโยมนอนก่อนด้วยซ้ำไปพระต้องไปเดินบอกเอโยมเพราะนั้นยังไม่หลับนะคนนี้ยังคุยกันอยู่เต็นนั้นเต็นนี่ตามบอกสี่ทุ่มห้าทุ่มได้นอนทำแบบนี้ทั้งปีอ่ะ ปีนี้ล้วงตาเฉพาะตารางที่มีอยู่ก็คงจบเดือนพฤศิเดือนเดือนพฤษภาแต่พอกลับไปนี่ก็คงอยู่เรื่อยๆอันทั้งปีก็คือทำงานแบบนี้ตลอดเวลาจากตีสามถึงสามทุ่มเนี่ยแล้วได้อะไรจากสังคมอะไม่ได้อะไรขอข้าวกินวันละคำเองคนเขาใส่ให้สองสามคำรวมกันอยู่ในบาทนิดนึงนั่นเองถ้าอยู่ในวัดกินข้าวมื้อเดียวถ้าออกมาอย่างนี้กินข้าวกับโยมนี่สองมื้อ ตอนเช้ากินข้าวต้มตอนเที่ยงก็กินข้าวหนักเพราะอะไรเพราะว่าพาโยมกินเฉยๆหรอกพาลูกกินเดี๋ยวมันจะว่าไม่เอาไม่เอายังไม่เคยขอสองมื้อได้บางคนมันจะว่านะสามมื้อก็ดีนะสามมื้อมันไม่ได้ทำอะไรไงนอนไงกินแล้วเป็นนอนมันไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่กินนะกินแต่ตอนทำงานตอนกลางวันมันทำหนักหน่อยเพื่อจะห้าถึงห้าโมงเย็นก็ต้องกินเยอะๆหน่อย ตอนเช้านี่ก็กินข้าวต้มกินอะไรไปนิดนหน่อยหนด้านี้พระเราไปบินบาทเลยอย่างนี้นะกินข้าวต้มก่อนค่อยไปก็ได้เนียยังไม่ไปนะเออจะเพิ่งไปเอาสักน้อยเอาสักน้อยหรือเรือกไปบินบาทมาก่อนค่อยกินข้าวต้ม กินก่อนนะใช่ไหมโยมพุทจะได้ลงมือปฏิบัติธทมเลยพระก็จะปฏิบัติทำคือเลี้ยงพระนี่เลี้ยงง่ายมากโยมเลี้ยงง่ายมากคือมีอะไรนิดหน่อยฉันจบไปอะเลี้ยงพระจริงจริงหน่ะนะแต่พระไม่จริงก็คือเต็มโต๊ะแล้วเดี๋ยวนี้พระก็กินในบาทไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้กินนิดน่อต้องนั่งโตะจีนนะเดี๋ยวนี้ผ้าแดงๆปู อาหารคือไปตั้งนะมีหม้อเดือดป๊อปป๊อปจุดแอลกอฮอล์อีกต่างหากเนี่ยหนักเข้าไปพระเดี๋ยวนี้โยมัลยแหละตัวการหลวงพ่อนั่งแบบนี้ก็ได้หรอกแต่ก่อนพระพุทธเจ้าให้เทเสดใบาดปนกันนะมีอะไรก็อย่าเน้นก็ฉันไม่ให้เลือกเพราะมันลงไปในกระเพาะมันไม่มีอะไรมันไม่ได้บอกว่ามุมกระเพาะท่านี้พริกนะอันนี้ปลานะอันนี้ ปลาตะเพียนนะปลาฉลามนะนี่ไม่มีออันนี้แกงอ่อมนะอะไรไม่เนี่ยซาบลาลู่อะไรไม่มีมันไม่ได้แบ่งแต่เราแบ่งด้วยตาไงเราเลยแบ่งอันนี้แบ่งอันนี้ได้เปลืองเงินเปลืองสิ้นเปลืองเงินทองเข้าของพราจิตใจเรามันแบ่งแต่กินลงไปแล้วมันแบ่งไหมไม่แบ่งนี่เหมือนกันเขาเทใส่บาทกินด้วยกันพุจ้าว่าพิสูจถ้ายังไม่เกินหนึ่งพรรษาห้ามกินนอกบาทนะ ให้กินในรวมกันในบาทนี่แหละกองนั้นกินจะรูปประมาณใส่น้อยใส่มากนะถ้าเหมือนเอาข้าวให้หมากินเนเป็นไปนั่นแหละกองรูมกันฉันชันเสร็จปุ๊บก็ล้างไม่ให้แบ่งแต่ปัจจุบันนี้ถ้วยนั้นถ้วยนี้เิ็นโตนั้นเป็นประดับมุกต่างหากนั่นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมถาดประดับมุกยิ่งโยมเนี่ยยิ่งตัวการเราไปถวายพระหลวงพ่อมีสําหรับประดับมุกอย่างน้อยบาทก็ประดับมุกอีกนี่ ให้หลุนตาไม่ได้เอาบีซีดีวิดีโอการ์ตูนพุทธประวัติของญี่ปุ่นมาเนี่ยเอามาเปิดให้โยมดูนะเขาทําดีดีพระแต่รูปแต่รูปแต่รูปเป็นพระเขปฏิบัติทำเป็นยังไงอ่ะพระเอาหนึ่งไปกวาดกวาดขยะนะกวาดกวาดกวาดกวาดแค่กวาดกวาดแล้วเรือลึกรู้เฉยเฉยนี่พอกวาดไปกวาดไปกวาดไปแก้แก้แก้ กสร้างจังหวะกครเดินจุกงกับคนมันไม่ค่อยเป็นจิตไม่ค่อยอยู่แต่แกชอบทํางานกว่าเพราะพูทธเจ้าว่ากวาดแล้วให้รู้สึกตัวนะรู้สึกไปเรื่อยๆท่า น, นทําอยู่หกวันท่า น, นก็บรรลุษทำเป็นโสดาบันได้จิตมันก็ตื่นจังหวะที่กวาดนร่คือทํางานแต่ว่าสติอยู่กับการงานเนี่ยมันจะเกิดการรู้แจ้งขึ้นนาดีทําอะไรก็ตามนะ่ะขอแต่รู้สึกตัวไม่จะเป็นตรงมานั่งสร้างจังหวะหรือเดินจุกงมาอย่างเนี้ย แต่ขอให้อยู่กับปัจจุบันสิ่งที่ทำซักผ้าก็รู้สึกเหมือนท่านติดนั่นหันนะแล้วท่านสอนนะฮะฟสติปอกผลไม้ก็เลยลึกรู้ทำอะไรก็เลยลึกรู้มันก็เกิดปัญญาได้สำคัญคือเราไม่ทำจริงแท่านั้นเองมานี่ก็จะพาทำจริงๆรนะนะแล้วมีใครมีปัญหาอะไรจะสงสัยจะถามไหม มีนะแสดงว่าใกล้จะบรรลุแล้วนี่ทำได้ปะเนี่ยเวลากินอาหารก็เหมือนกันนะเวีนนีเขามีอะไรให้กินกินเถอะอย่าให้ตามันเลือกอย่าให้หูมันเลือกธรรมดาธรรมชาติเลยกินกินไปจบไป ไม่เลือกอาหารประเภทไหนเนี่ยจิตเนี่ยอย่าให้มีใจมันเลือกถ้าคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเอาแก้ไขตามเรื่องกินนี้ไม่ได้กินเผ็ดไม่ได้กินเค็มไม่ได้กินหวานไม่ได้กินเนื้อกินอะไรมันผิดสุขภาพยังไงแก้ไขเอาอันนั้นนะแต่อย่าให้มันเลือกเพราะอุปทานแล้วมาปิดบังไอ้ความจิตที่มันปกติเฉยเฉยเนี่ยเป็นแบบนั้นแบบนี้นี่ะและอย่าให้มันทิฏฐ ถ้าทํามันนี้ดีกว่าคนนั้นทำมันนั้นดีกว่าคนนี้มันไปติิงเป็นทิฏฐิเป็นมานะนี่มันมีอ่นเนี้ยทํามันเฉยๆกินข้าวนี่หลวงตาสมมติว่าเขาวัวมาถวายหลวงตากินวัวนี่ถามว่าหลวงตาสนับสนุนไหมสนับสนุนการฆ่าไหมจิตมันไม่ได้มีความคิดอะไรเลยนะคินก็คือกินธรรมดาจบก็คือจบไปอ่ะไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวนี้ทุกอย่างแหละ ถ้าคิดไปให้ยาวเนี่ยมันยาวชีวิตเนี่ยคือทำอะไรเนี่ยอยู่ชั่วขณะหนึ่งนั่นี่ชช่วขณะหนึ่งโยมกินผักกินผลไม้กินอะไรย่างจาเนี่ยจริงๆก็คือสนับสนุนทรมานคนนะเนี่ยทรมานคนต้องไปขนขวายไปปลูกไปแสวงหาไปยั่วให้คนเกิดกิจต่้งหาก ยิ่งเรามีการซื้อเนี่ยซื้อเท่าไหร่ ก, ก็คือยั่วให้คนอยากได้เงินน่ะมันก็ต้องท ร, รมานมานันนะมันก็ไปแสวงหาไปผลิตปุ๋ยผลิตนั่นผิดนี่สร้างปิโตโเคมีเห็นไหมเจาะเอาพลังงานจากโลกใต้พื้นพิภพเลยนะขึ้นมาผลิตเป็นไฟฟ้ า, เ ป, ฟาเป็นพลังงานไปผปิดนั่นผิดนี่เห็นไหมมันท ร, รมานเชื่อมโยงกันไปหมดเลยปัญหาเนี่ยถ้าคิดนะ คือเราผิดหมดนะเมื่อไหร่ที่เรามีความอยากอยากในรูปรถกินเสียงเนี่ยผิดหมดแต่ถ้าเราเฉยธรรมชาติน่ะยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเราเลี้ยงหมาตัวหนึ่งที่บ้านนะถ้าเราคิดนะก็ผิดแล้วถ้าคิดในบรรยาวเดี๋ยวมันก็ไปกัดหมาตัวอื่นเดี๋ยวหมาตัวอื่นก็มากัดมันเนี่ยมันก็จะผูกพันกันไม่หมดแต่บางคนว่าเอ้ยอย่าไปกินเนื้อนะกินนั้นกินนี้นะสนับสนุนให้คนฆ่านะถ้าคิดไปปานนั้นก็ใช่เป็นอย่างคุณคิดจริง เพราะคุณมันคิดไงถ้าคิดเนี่ยมันจะผิดหมดเลยแม้แต่คุณมีเสื้อมีผ้าตัวหนึ่งก็คือคุณสลับสนแม้อยากได้เสื้อไหมตัวหนึ่งก็คือสร้างปัญหาละอยากได้เสื้อผ้าขาวๆผ้าฝ้ายตัวหนึ่งมานุ่งเนี่ยก็ส่งเสริมไม่คนทุกทรมานนอนอดหลับอดนอนไม่เท่าไหร่เพราะมันเสวงหาเพื่อเอาเงินเอาพลังงานไปซื้อไปขายเนี่ยแล้วมาสร้างปัญหากับเราเนี่ยเอามาซื้อมาขายไม่ได้ชาวนาเนี่ย เรื่องการพานันนะถ้ามันคิดว่าเอยเมื่อไหร่ฝนจะตกสักทีแน่เนี่ยชีวิตมันก็นเหมือนกับพนั น, น, นกับธรรมชาติอยู่ในตัวนะมันเหมือนกับคนที่เล่นหวยเล่นอะไรต่าเนี่ยเพราะมันมีความทุกข์ไงทุกข์กับมันมีความหวังกับสิ่งที่มันอยากได้แต่ถ้าเออฝนตกก็ตกไม่ตกก็ทำไปเรื่อยๆยไม่มีการพานันอันนี้ในตัวคนซื้อหวยก็ตามซื้อไม่หวังซื้อเฉยๆได้ก็เอาไม่ได้ก็เล้วไปก็ไม่ใช่การพนัน พนันไม่พนันมันอยู่ที่จิตที่มันผูกพันนั่นแหละถ้าถูกผิดเนี่ยมันอยู่ที่จิตเราไปยึดมั่นหรือมั่นมากเป็นป น, นะแต่ถ้าทํำเฉยๆไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นพระนี่ไปบิณทบาต น, นะถ้าหวังว่าจะได้เนี่เป็นทุกทันทีนะเนี่ยพนันนะเนี่ย อ, อยู่ในตัณหาแต่ไปตามหน้าที่รู้สึกตัวปายธรรมชาติเขาให้ก็เอาไม่ใช้ก็่เอาไม่ใแม่ให้ก็ไม่เอาไม่ได้ยุ่งไม่เหมือนขอทานขอทานต้องไปเฝ้าร้านนั้นร้านนี้ อันนี้ไม่เดินไปเฉยๆถ้าเป็นนี้ก็คือธรรมชาติเขายังให้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นธรรมชาติกินธรรมชาตินอนธรรมชาติฟังธรรมชาติทุกเนี่ยเกิดจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์เนี่ยมากมายหลากหลายเราไม่เป็นทุกข์เพราะการกินแต่เราเป็นทุกข์เพราะรูปเพราะเสียงเพราะการยึดติดกับลูกกับหลานกับสามีกับความโกรธความโลภความหลงเนี่ยดูดิมันมากมายหลากหลายนะทุกข์เนี้ยงั้นอยู่ปัจจุบันเฉยๆ อยู่ปัจจุบันเฉยๆได้เวลากินก็กินถ้ามาติดในความอร่อยก็เอาอีกล้วออกไม่ได้อีกล้วชอบอันนี้นะต้องไปซื้ออันนั้นกินให้ได้ไม่ซื้ออันนี้กินไม่ได้จิตมันยึดติดเนี่ยฉั้นอย่าให้มันยึดอะไรกินแบบง่ายๆเขาเลี้ยงง่ายๆเขามีอะไรกินกินจบๆไปบางคนนะเขากินอะไรกินจบๆแล้วเขาไปทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วรู้สึกตัวแล้วถามว่าความโกรธมีไหมไม่มีอะ ไม่ทำแล้วอยู่ปัจจุบันได้แล้วไม่งงยิดไม่มีความหวังอดีตอนาคตอยู่ในนั้นจิตเขามันดีอ่ะแต่บางคนเวลากินไม่มีอะไรจะกินงงยิดแล้วโกรธแล้วทำไมไม่มีอะไรกินวะเขี่ยนั่นเขี่ยนี่เขี่ยจนกระทําว่ากละมังจะพังบีหม้อจะแหกอ๋อพอดีจิตมันฟุ้งซ่านไงมันอยู่ปัจจุบันไม่เป็นเลยเลือกรู้ไม่ได้เวลาไปปฏิบัติทําเจอปัญหามากมายหลากหลายพวกหนึ่งเขากินเจปฏิบัติธรรม พวเป็นอนาคามีนยไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเนี่ยบางคนยี่สบสองปีสิบหกปีพวกมาจะลงเจี่งกรุงเทพเนี่ยกินเจนะปฏิบัติธรรมมายี่สิบกว่าปีอ่ะยี่สบสองปีแต่ละคนเขามาปฏิบัติธรรมไม่มีปัญหาเขากินเนื้อไม่ได้กินผักกินข้าวกินปลาอะไรอ่ะเง้ขาก็กินข้าวเหมือนเราเนี่ะที่โต๊ะเนี่แต่เขาไปเขาเห็นกินก้วยเากิน๋วยกินแบบสบายใจนะ แต่ไม่ติไม่ติงอะไรใครไม่ว่าอะไรไม่ได้คิดว่าเขาดีกว่าคนอื่นหรือคนอื่นดีกว่าเขาเพียงแต่เขากินแล้วมันข่าวเขากินไม่ได้แต่ก่อนเขาก็เป็นเหมือนคือพวกนี้จะเป็นคนที่ลูกเขาพ่อแม่เขาทิ้งนะคลอดลูกได้จะเยอะแล้วเขาไปทิ้งทิ้งไว้ในโรงเจแล้วก็เลยกลายเป็นแม่ชีสําหรับทํากองเตกนะแล้วเขาอยู่เป็นแม่ชีนะเขาเลี้ยงนะโรงเจหนึ่งหนึ่งก็จะมีอยู่สิบสองสิบห้าคนอะไรประมาณนั้น คนนี้จะไม่ไม่กินเนื้อกินอะไรอยู่แล้วนั้นเวลาเขาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยดวงตาเขาไม่ค่อยได้สนใจเขานะกินไหนก็กินกินไม่ไหนก็แล้วไปเมื่อที่เขาก็กินข้าวกับผักเฮ้ยเฉยแต่เขาไปเขาอ้วนทวนสมบูรณ์ดีนะแต่เขาไปฝึกจิตปัญหามันฝึกจิตอยู่กับความพอใจเหม่ยพอใจนะไม่ได้ทุกข์อะไรอันนี้ถือว่าดีมากนะดีมากเลยคือทําใจเป็นปล่อยวางเป็นอะไรเป็น เขากินเพื่อสุขภาพเขาจริงๆแต่ถามว่าพวกนี้รู้แจ้งเร็วไหมไม่พวกนี้ก็ฟงซ่านคิดมากเพราะมันมีความรักความชังเหมือนกันแต่พวกที่ธรรมดาเหมือนชาวบ้านก็รู้แจ้งเร็วกว่าพวกเนี้ดับทุกข์ได้เร็วกว่าดับความพรุงแต่งดับความม่วงความเหงาเนี่ยพวกพวกชาวบ้านทําได้ดีกว่าพวกเนี้ยนะความโกรธความโลภความหลงนี่ยจะเห็นไหมอย่างตอนเช้าเนี่ตื่นมานี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่อง เรื่องการกินการดื่มแต่พุทธเจ้าจะพูดว่าให้กินน้อยนอนน้อยนั้นเองแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะอะไรไม่ได้บอกว่าอันนี้มันจะช่วยได้อันนี้ช่วยไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวกันนะฉั้นอย่าเอามาเป็นปัญหาอันนี้นะขอให้อยู่กับปัจจุบันเฉยๆเลยเลืกรู้ดีๆให้มันตื่นตัวคุณมึกเอายังไง พระฉันแล้วค่อยไปหรือยังไงอันนี้เขาเอาปัจจุบันนี้ไม่ได้ปรึกษากันเลยนะว่าเอายังไงเนี่ยเอาตอนนี้เลยนะโยมก็ห้ามต่อรองห้ามเดินขบวนประท้วงเลยนะกินก็คือกินไม่กินก็คือไม่กินนะไม่ได้นุ่เป็นโรคกระเพาะนะที่นี่ห้ามเป็นโรคกระเพาะนี่ะตายเป็นตายมาที่นี่เป็นยังไงฉันตอนเช้านี่ไหมแล้วไปหรอฉันหรือยัง พระฉันหรือยังไปบินบาทมาค่อยฉันเลยแล้วคนพวกนี้เอายังไงเอาเอาฉันก่อนไหมหรือยังไงไม่มันเสร็จหรือยังเฮยเอามาเลยพระก็ฉันก่อนก็ได้นี่เออแล้วค่อยไปก็ได้มันยังไม่สว่างเท่าไหร่หรอถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยตีห้าต้องเอาบินบาทแล้วนะ โอ้ทาบินธบุรีกรุงเทบางที่เขาถูกขวดน้ําเขาบังอะไรม้างมันฟาดมาน่ะรู้หรือเปล่าทางเซนีเขาสัมปทานแล้วนะทางบินธบุระมีการสัมปทานทางต่างหากมองตาไปเขาฟาดมาถุงน้ําที่เขาใส่ในบาทนะมันมีถุงน้ํามีขวดน้ำมีอะไรจ้าเนี่ยเวลาไปบินธบุรีเขาไม่เคยเห็นเราไปเราเขาเอาถุงเฟี้ยงเรานะ แต่เขาไม่ได้ให้มันถูตัวเราเท่าไหร่อแต่ว่าราบินสบายมาอยู่ใกล้กำแพงเขาจะฟาดใส่กำแพงมันก็แตกกระจายเปียกมดเนี่ยเนนไปด้วยลูกตาเขาคว้างเรานะเฉยไว้ว่เพราะเราแค่สองเกาห้าว่ะไม่ได้เนี่ยเขาเจ้าถิ่นเนาะก็ค่อยๆไปอันตรายกรุงเทพเนี่ย ถ้าไม่รู้นะแล้วโยมใส่บาทก็เขาจะใส่เฉพาะที่ที่นั่นเขาเคยใส่เขาจะใส่ตรงนั้นอย่างเดียวนอกนั้นก็รถวิ่งเพียงเงบ้านไหนไม่เคยใส่ก็ม่เคยใส่ดั้นไปบินบาทก็ต้องไปบินตรงที่เขาใส่นั่นแหละก็เดินไปแถวนั้นนั้นไปเอาแถวนั้นก็คือเขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วนะพระกลุ่มหนึ่งเ <พา S 2> ขาชอบ<อ>ไปเอาอยู่เท่านั้นคนไหนคนไหนมาเขาก็ต้องขี่รถมาจอดแล้วเขาซื้อของใส่บาทซื้อของใส่บาทอย่างเดียวแล้วเราก็เดินไปทางเขาไม่ให้เข้าไป ยากอยู่แล้วไม่ใช่ง่ายนะมันเป็นญาณใครญาณมันเหมือนอะไรเขาเรียกว่าอะไรอุเทนถวายกับปทุมวันน่ะนะพระเราก็นิมนต์ฉันด้วยความเร็วสูงนะรีบฉันรีบไปนะ โยมเรานะหลังจากนี้หลวงตาจะให้ลงไปเข้าห้องน้ำมองท่าพระกนนะรณยบทหน่อยมันไม่มีระคังที่นี่เนาะจอบเพี้ยนไม่มีและจอบขาดๆหน่อยนะเอามาเคาะแม่งแม่งอะไรพระนนั้แล้วก็มารวมกันที่นี่แล้วก็ทานอาหารนี่นะเอาเตรียมตัวนั่งกุ้เข่าขึ้น โค้กเขาโค้กเขาปมนมือเวลาไหว่เนี่ยไหว้นบน้อมนบคือนบะเนี่ยน้อมคือน้อมเอานีเอานีใส่ตัวนี้ไม่ใช่แบบนี้เลมันไม่สวยดิถ้ามือพระเขาทำ การไหว้นี่เราไหว้ตัวเราเองเนี่ยแเราไม่ได้ไหว้ใค ร, ใครไปเลยเราไหว้ตัวเองใจมันดีมันถึงทำได้ถ้าใจไม่ดีกิเลสกระหน่ำเดี๋ยวมันจะไหว้ใครเป็นสเนี่ยคือมันไหว้ตัวมันเองไม่ได้นเลยอันนี้มันรูปเฉยเลยอันนี้เขาเรียกว่าทงขี้อันมันหนังุทงขี้เจเฉยๆเราไม่ได้ไหว้กันหลอกแต่สแสดงคารวะธรรมในใจเพื่อการเข้าถึงธรรมง่ายขึ้นความบันลองไหว้ดูนี้ใช่ความกันหัวลงไปนิ้วโจทย์เออ ไห้ไหว้มันก้าวมันลืมฟังได้เดียวนี้ <c oughs> คนนอบนอบ้อมดีเอ้าทยอยลง น, นั่นแหละของวางไว้นี่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเลยเได้หนิเมื่อกี้เขาต้มไปเข้าห้องน้ะไปออกกำลงังกายเยีดเท่งเหยียบขาก่อนนี้มันเป็นง่อยนั่งงาน